แล้วก็จเจริญทำนิสิตวนาบ อ, บบอทุกท่านค่ะทุกค่ะวันนี้อยากจะขอโอกาสพ่อครูให้ทางทีมนิสิตวนา บ, บ ร, รุ่นฉันทะนะคะนำเสนอผลออการเข้าพื้นที่เพื่อเข้าหลักสูตรของวนบ อ, นบบอตั้งแต่วันที่เก้าแล้วก็มีการประถมนิเทศไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะคะแล้วก็มีการทาสวอตในเรื่องของจุดเด่นจุด ด้อยนะคะโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามขององค์กรบ้านราชธานียะโสกเป็นทดลองการการเรียนรู้ในการในการทำงานนะคะซึ่งก็จะนำเสนอเป็นสามประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือตลอด20วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีผลคืบหน้าในของการฟังธรรมอย่างไรนะคะ ประเด็นที่2ก็คือเมื่อเราค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเราได้ทดลองแก้ปัญหาอย่างไรโดยโยกตัวอย่างกรณีของฐานกสิกรรมแล้วก็โรงสีนะคะอันที่3ก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความยังที่ยังไม่เข้าใจได้ชัดเจนว่าบทบาทของวอนบอและชุมชนคืออย่างไรนะคะแล้วก็อันที่4ีก็คือนําไปสู่การทบทวนและกําหนดบทบาทของวอนบอและชุมชนค่ะขอบคุณค่ะเบื้องต้นก็คงอยากจะเสนอให้ทางนิสิต ที่จะรายงานาประเด็นแรกค่ะ เ, เชเเลยเรื่องของการอผลของการฟังธรรมในช่วงที่ผ่านมาค่ะเดิม กราบนมัศ ก, การพ่อครูสมณโพธิรัก์กราบน้มัส ก, การท่านสมณศิกรรมค่ะเจริญธรรมค่ะพี่น้องนิสิตบอนอบอที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันมีหมายมุ่งมาจนค่ะเป็นนิสิตบอนอบอค่ะก็จะขอรายงานผลการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่ได้ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ที่รู้จักชาวโศกและมา เขี่ยข้นตัวเองช่วงฟังธรรมในช่วงที่เกิดบอนอบอนะคะในตัวของในดิฉันเองนะคะก็ที่มาสมัครเรียนก็เพื่อเป้าหมายที่มีโล ก, กุตระเจเเซนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ลดละกิเลสได้มากที่สุดแล้วก็เรียนรู้ทั้งปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทโดยการปฏิบัติจริงนะคะเมื่อเจอผัสสะอะไร นะคะก็จะได้มองเข้าหาตัวเองนะคะเมื่อก่อนนี้เจอภัรษาอะไรเราก็ไม่ไม่ไม่รู้จักเท่าไหร่นะคะพอได้มาตั้งใจปฏิบัตินะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่พ่อครูสอนพ่อครูนำพาเป็นเวลาหลายปีโดยเฉพาะมาะขยายผลในวอนบ อ, น อ, บอขณะนี้นะคะก็เห็นว่าเป็นธรรมะ ที่พ่อครูได้ร้อยเรียงที่ท่านพูดอยู่เสมอว่าการเทศธรรมะของพ่อครูนี่ร้อยเรียงเป็นมาลัยนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เข้าใจค่ ะ, ะก็ได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดกับตัวเองล่าสุดนะค ะ, ะก็ที่บ้านของดิฉันก็จะมะีต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้นะคะเราก็ดูแล มันอยู่นะคะพอวันหนึ่งเกิดขึ้นมาตอนเย็นก็ไปเห็นว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมันมันหายไปโดยใช้มีดินทับอยู่แล้วพี่ที่อยู่ข้า ง, ขางเขาก็ขอโทษนะคะแล้วเราก็มองเข้าหาตัวเองเอ๊เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ทำไมก็เลยมองเข้าหาตัวเองที่บอกว่ากาย ที่มาสัมผัสแล้วก็มองเข้าหากายภายในก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเราเฉยทั้งๆ ท, ที่มันก็ตายไปตั้งเยอะตั้งแยะนะคะทำไมเราเฉยได้ก็เลยมองเข้าหาออตัวนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ศักยะของเราด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะคะการเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเราได้ทํามันมายาวนานแล้วเราไม่ได้ติดใจในเรื่องวัตถุเราก็บุเพไปมันจึง นิ่งแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาดิ้นรนโกรธเคืองใดๆก็เฉยๆนะคะทีนี้เอ๊ะต่อมานะคะต่อมาตอนเย็นก็มีสิทธ ม, มาท่านหนึ่งท่านก็เดินไปนะคะแล้วก็ไปเห็นว่ารถนั้นก็เหยียบต้นไม้ดีฉันด้วยแล้วก็อไดินนั้นก็ต้นต้นไม้ก็หายไปนะคะแล้วก็ท่อประปาก็หายไปก็เสียหายนะคะก็ ท่านก็พูดอีกดิฉันก็เช็คตัวเองอีกตัวของดิฉันเองก็รู้สึกเฉยๆอีกนะคะก็เลยว่าโอ้ทำไมที่ตัวเองเฉยได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช่เป็นสักยะอย่างว่านะคะตรวจสอบครั้งที่สองอีกนะะแต่ทีนี้ก็ได้คิดว่าการปฏิบัติ ของเรานะคแม้มันจะเฉยๆอยู่มันเพราะว่ามันเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยถ้าเผื่อว่าโจทย์ใหญ่โจทย์มากเกี่ยวกับวัตถุเราก็ต้องพึงสังวรเอาไว้ให้มากนะคะก็เลยเห็นว่าในการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันจากที่ฟังธรรมจากพ่อครูนะคะเราก็จะมองเข้าหาในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะกายในกาย นะะซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยพอได้ฟังพ่อครูได้เพียงเทศนะะจนทำให้ตัวดิฉันเองเนี่ยเข้าใจอาจจะไม่มีรายละเอียดในการอธิบายเป็นฉากฉากไปแต่ก็เข้าใจนะคะว่าทำให้เราต้องรู้เกี่ยวกับปริยัติไปด้วยนะคะแล้วก็ ประการปฏิบัติแล้วก็มีผลอย่างที่เห็นก็กราบรายงานพ่อครูทราบดังนี้ค่ะกราบนมัสการค่ะน้อมกราบคารวะพ่อครูขอกราบนมัสการท่านสมณะท่านศิขมาตขอเจริญธรรมพี่น้องนิสิต วอนบอและพี่น้องชาวชุมชนทุกท่านค่ะค่ะดิฉันนิสิตเนียนใจกลางสอนค่ะจากการที่ได้มาปฏิบัติธรรมนะคะได้ฟังธรรมพวอครูนะคะในช่วงที่มาเป็นนิสิตนะคะก็รู้สึกว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยเราเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเรามีโอกาสได้ฟังได้ได้ได้บ่อยขึ้นนะคะ เราติดตามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ฟังสดๆยิ่งมีการโต้อตอบแบบถามตอบสงสัยและถามเลยยิ่งทําให้เราเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตอนใหม่ๆที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเข้ามาอีกแค่ไหนนะคะแต่พอเมื่อได้มีเวลาในการเรียบเรียงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อดอรอภิสินอาจารย์วิชัยอาจารย์อเนกนะคะช่วยกันเรียบเรียงเข้าไปนะคะทําให้เราเข้าใจในขั้นตอนในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ทำให้เราเห็นว่าโอ้นี่นะตอนแรกเนี่ยเราเกิดความกลัวนะคะเพราะความที่เราไม่ชัดเจนเรายิเกิดความกลัวขึ้นนะคะแต่เมื่อเราได้ฟังได้เลียบเปลี่ยนแล้วเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของการฟังธรรมทีฉันจับประเด็นในเรื่องของการฟังธรรมก็คือว่าทีฉันจับตัวกิเลสได้แม่นขึ้นชัดขึ้นนะคะเห็นอาการของมันที่แสดงออกมานะคะไม่ว่าจะอยู่ในในใจของเรานะคะซึ่งเป็น กิเลสที่อยู่ในใจของเราเราสามารถจะดักจับมันได้นะคะในสังคัปปะเจที่พยายามจะศึกษาเรื่องนี้นะคะพยายามดักจับมันนะคะว่าเออตรง น, นี้มันเกิดแล้วนะนะคะมันเกิดแล้วมันเป็นนิจฉาหรือสัมมามันเป็นกุศลหรืออกุศลพระครูเคยอธิบายบอกว่าตากะคือเกิดการดําริขึ้นวิตกะก็คือว่าจัดการตรงนี้เลยนะคะจัดการวิวจัยวิจารมันนะคะใช้ปัญญาของเรา วิจัยวิจารณ์มันว่าสิ่งที่เราจะทำหรือจะพูดออกไปมันดีไหมนะคะเราสามารถจะฆ่ามันประหารมันตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะประหารด้วยวิคัมพนประหารหรือเราจะประหารด้วยวิปัสสนานะคะเป็นวิปัสนาหรือนิสระณะประหารแต่มันก็มีขั้นตอนของการประหารไปทีละขั้นละขั้นนะคะเราอาจจะทำบางเรื่องเราอาจจะทำได้เป็นครั้งคราวตทังฆประหารนะคะหรือปฏิปัติทประหารนะหรือจนกระทั่งสุดท้ายนิสรณะประหาร นะบางเรื่องเราก็ทําได้เด็ดขาดนะแต่บางเรื่องเราก็ยังทําได้เป็นครั้งคราวก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราเริ่มชัดเจนและเห็นอาการของเราได้ชัดโดยเฉพาะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาการกโกรธอย่างเงี้ยค่ะความไม่พอใจมันจะเกิดขึ้นในใจเรานะคะโดยเฉพาะเสียงที่เรามากระทบหูเรานะคะพอได้ยินเสียงปับ๊บเสียงนี้รู้สึกไม่ค่อยพอใจเลยนะคะพอเกิดความรู้สึกว่าเออไม่พอใจกับเสียงนี้ปับ๊บเราก็จับอาการแล้วว่าอา้าวตกลงเรากําลังจะ ดูกรรมของคนอื่นหรือดูกรรมของตัวเองเพราะที่ฉันศรัทธาในเรื่องของกรรมอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกรรมในฉันรู้สึกว่าที่ฉันให้ค่าในเรื่องของกรรมในสูงมากมีความรู้สึกว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครก็ของคนนั้นเพราะฉะนั้นเราเองเราจะต้องควบคุมดูแลกรรมของเราให้ดีกรรมส่วนของคนอื่นที่เขาแสดงออกมากระทบเรามันกรรมไม่ดีเท่าที่เราเห็นแต่ทําไมเราจะต้องเอากรรมส่วนที่ไม่ดีของเขามาทําให้กรรมหรือจิตของเราหรือกาวาจาของเราหรือกายของเราต้องเสียไปด้วย จะเห็นคุณค่าตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันก็เลยระมัดระวังในข้อนี้นะคะถึงแม้เราจะพลาดพัง้งหรือเราหลุดออกไปบ้างเราก็สามารถจ ะ, ะจับมันไว้ทันไม่ปล่อยให้มันเตลดเิดเปิดเปิงออกไปมากไปนะคะบางทีเราก็จับมันได้เร็วบางทีมันก็จับได้ช้านะคะก็มีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าสังคปะนี่แหละคือเป็นตัวที่เราเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานในขณะที่ทํางานนี้ฉันจะเห็นนะคะไม่ว่าเพื่อร่วมงานในเรื่องของการศึกษานะคะ ในการศึกษาเนี่ยจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างเช่นปัญหาของเด็กที่เราต้องแก้ไขร่วมกันปัญหาของความคิดเห็นที่แตกตา่างมันมีปัญหาเข้ามามากมายดิฉันได้เห็นอาการตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้สังกัดป่าเจ็ดแล้วรู้จักการประมาณมากขึ้นตอนแรกๆเลยที่ดิฉันเข้ามาในวงการการศึกษาของอโศกดิฉันไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรมากเพราะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่รู้ว่าจะประมาณขนาดไหนที่มันเป็นความพอดีของหมู่ของกลุ่มนะคะพอดิฉันได้ฟังทำมากยิ่งขึ้นดิฉัน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะคิดว่าตัวเองสามารถจะใช้ปัญญาเท่าที่มีอยู่นี่แหละประมาณในแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อสังกัปปะเจนี้มันโยงไปหาในเรื่องของสัพุริสธรรมในเรื่องของมหาประเทศสีซึ่งแต่ก่อนนีฉันไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่ามหาประเทศสีเนี่ยเอ๊ะมันเราจะไปใช้ได้อย่างไรนะคะก็เลยมีความรู้สึกเออเราเริ่มใช้มันเป็นนะคะว่าเอออันนี้นะเป็นเรื่องที่ควรนะนะเป็นเรื่องที่เราควรทํา หรือไม่ควรทำอะไรเนี้ยมันเริ่มชัดมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เราควรจะแสดงความคิดเห็นแต่ทำไมเราไม่แสดงความคิดเห็นเราจะเห็นตรงนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถจะใช้มหาประเทศศรีเนี่ยในการตัดสินหรือในการประมาณมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะรู้สึกประทับใจนะคะการได้มาเป็นนิสิตวอนบอลนะคะที่ได้มีโอกาสแม้เกือบจะพลาดโอกาสไปแล้วนะคะก็ยังดีนะคะที่ยังยัง ยังตั้งหลักทันแล้วก็ยังหันเข้ามานะคะก็รู้สึกกราบขอบพระคุณพ่อครูและก็เพื่อนนิสิตนะคะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยร่วมกันทําให้ิฉันรู้สึกว่าได้มิตร ด, ดีสหายดีและเจริญขึ้นกราบขอบพระคุณค่ะใครอีกไม่ยกมือก่อนท่านต่อไปคะ่ะยกมือไว้ก่อนที่แล้วก็เอาไมโครโฟนไปถือ ถ, ถือไว้ในมือเลยพอทางนี้จบ ทางน้มก็ขึ้นเลยแล้วก็ ย, ยกลมใหม่คนต่อไปการแก้ปัญหาของลูกศิษย์ศิกรรมแค่นี้ก็ทำไม่เสร็จสักทีวิธีนี้ครับกลับกราบน้มัตรการพ่อท่านครับแล้วก็น้มัตรการสมณะศิกามาตแล้วก็ขอจเจริญธรรมกับญาติธรรมทุกคนครับกระผมนายงามดีมาก สบายมากคือขอเปิดใจนะว่าที่จะได้มาเรียนครั้งนี้เป็นความหวังดีของเพื่อนที่ผมไปทะเลทะเพื่อนที่ผมรักเข้ามาบังคับผมให้ผมมาเรียนอันนี้เรื่องจริงเพราะผมไม่ผมไม่คิดนะว่าผมได้จะได้อะไรจากการเรียน แต่สิ่งที่ผมได้นี่มันมันยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายของผมเพราะว่าผมมาอยู่กับพ่อท่านนี่นะพ่อท่านก็ตั้งใจช่วยเราโดยอาศัยคําพูดของพ่อท่านแต่คําพูดของพ่อท่านนี่นะมันก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเข้าหูแล้วแต่เราไม่เข้าใจในคําพูดของพ่อท่าน พอได้มาเรียนนี่นะเรามีเวลามาอยู่กับคำพูดมาอยู่กับสิ่งที่เราคิดเพราะเราหมดโอกาสที่จะไปทำเหมือนก่อนเพราะเมื่อก่อนจิตใจของเรามันก็ต้องใส่ใจในงานทีนี้คือผมจะพูดเลยว่าที่ที่ประทับใจคำพูดของพระท่านจนทุกวันนี้ผมก็เชื่อมั่น ถ้าใครทำได้ผมว่าต้องไปถึงที่สุดแห่งทุกได้เหมือนที่ว่าพระท่านบอกว่าระวังอารมณ์ก่อนงานอย่าลงงานจนเสียอารมณ์ถ้าผมไม่ได้มาพิจารณาจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าความจริงนะผลงานที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันคืออารมณ์มันไม่ใช่สิ่งที่เรา resonance. สิ่งที่เราเห็นได้เนี่นะเป็นผลงานที่มันงามที่สุดดีที่สุดแล้วเนี่ย ok มากที่สุดแล้วนี่นะที่เราเห็นได้นี่นะมันยังไม่สำคัญเท่าสิขขส่งที่เราเห็นไม่ได้สิ่งที่เราเห็นไม่ได้คืออารมณ์เพราะตัวนี้นะเป็นตัวที่เราจะพ้นทุกหรือไม่จะเพิ่มทุกนี่มันอยู่ที่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เราเห็นได้ มันอยู่ที่สิ่งที่เราเห็นไม่ได้ทุกวันนี้ผมตั้งใจแน่วแน่ล้วผมจะทําที่สุดแห่งทุกของผมและตัวนี้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ของผมเพราะว่าตัวนี้แนวะความจริงนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมเริ่มสนใจนะผมสนใจมาตั้งแต่ผ ม, มาอา ย, ยุน้อยๆผมบอกเลยผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ถ้าจะมาพูดกับผมนี่นะต้องทำอารมณ์ให้ดีก่อนผมจะไม่ฟังคนที่อารมณ์ไม่ดี ผมใช้คำนี้มาตั้งแต่อยู่น่น้อยพอผมเริ่มเริ่มสนใจธรรมะนี่นคือผมก็ก็เห็นตัวนี้เนี่ยมันดีขึ้นวันดีวันดีขึ้นโดยเฉพาะหนังสือของพ่อท่านที่ผ่านมาตามองสมุดที่ผมเจอเนี่นะผมชอบที่สุดเพราะว่าอ่านแล้วมันมีความสุขที่สุดอารมณ์ผมดีที่สุด ผมว่าคือผมก็เลยชัดเลยว่าเรานี่ต้องการหลุดพ้นผมก็ไปเห็นไอ้ที่เขียนไว้ในเรือนพึ่งกันอิสระภาพอิสราภา พ, าภาพผมนี่ต้องการอิสราภาพไอ้ที่ผมพูดย้ำเหมือนคนบ้าน่ยบอกว่าสามวงนี้ผมไม่ต้องการผมต้องการอิสระภาพเพราะผมผมรู้ว่าจุดนี้คือจุดหลุดพ้นจุดที่เราจะพ้นทุกข์ได้ พอผมไปเห็นว่าอิสระภาพนี่ข้างล่างเขาเขียนเลยคือหลุดพ้นจากอัตตาสามเขาบอกว่าอัตตาสามก็มีโอลาลิกาอัตตาคืออัตตาที่เราเห็นได้ก็สองไอมนโนมัญอัตาสิ่งที่เราคิดได้แล้วก็สมอรูปปาอัตตาคืออารมณ์ของเรานี่แหละคืออรูปปอาอตตาถ้าเราทำอารมณ์ของเราให้ดีที่สุดเราก็จะหลุดพ้น เราก็จะมีสารภาพและเราก็จะมีพารณลภาพและเราก็จะมีสันติภาพและเราก็จะมีสมตรติภาพและเราก็จะมีบูรณาภาพฟังผมพูดน่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนสิ่งที่พ่อท่านพูดแต่พวกเรานี่มันไม่ยิ่งใหญ่มันก็เลยเข้าใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผมขอพูดแค่นี้แหละครับ ต่อไปเลยค่ะเรื่องของผลของการแก้ปัญหากสิกรรมแล้วก็โรงสีเชิญค่ะข อ, อน้อมกับน้ำการเพราะท่านท่านสมณะท่านสิกรร ม, มาขอเจริญธรรมพี่น้องทุกคนนะครับจากการที่ฝ่ายกสิกรรมได้รับมอบหมายภารกิจนะจากฝ่ายการศึกษาของวอรบอนะครับให้เข้าสำรวจพื้นที่ที่เป็นปัญหาของกสิกรรมทั้งหมดนะครับ เพราะว่าข่าวคาวของกสิกรรมมีอยู่เสมอว่าขาดแรงงานขาดคนดูแลแล้วก็ยังมีบางจุดยังทําไม่ถูกต้องไม่เข้าเป้าในจุดที่จะให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดนะครับในที่สุดแล้วคณะนะทํางานได้รับการแต่งตั้งเข้าไปสำรวจก็ปรากฏว่าได้นําเสนอปัญหาเหล่านั้นในแต่ละ สวนในแต่ละจุดนะเพื่อให้รับรู้ว่าปัญหาของเขานั้ น, นควรจะแก้ไขยอย่างไรนะครับออผลของการที่ได้เข้าสำรวจแล้วก็ไปให้คำแนะนำปรึกษาทั้งหมดนะครับก็เป็นผลเห็เรเหนร่วมกันนะที่จะทำตามคำแนะนำของฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปชี้นะัฉะนั้นได้เห็นว่า การศึกษาที่วนบได้นาเข้ามาเป็นการจุดประกายของความร่วมมือของความคิดเห็นเป็นผลสำเร็จของการเริ่มการแก้ไขในปัญหาของกสิกรรมนะครับก็ผมก็ขอเรียนว่าบทบาทของวนบนะฮะได้เกิดขึ้นณนะรัชธานีอสงในครั้งนี้ได้มีผลปลุกเร้าจิตวิญญาณของหมู่กสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง หลายคนยิ้มแย้มได้ยกตัวอย่างคุณงามบุญอีกคนหนึ่งซึ่งจะซีเรียดเป็นประจำ อ, อาพลังพรพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจากพบเก่าๆที่ตัวเองเคยทำมาทั้งหมดได้รับคำแนะนำในพืชต่างๆที่พวกเราได้เข้าไปให้คำแนะนำแล้วเนี่ยเห็นทิศทางชัดเจนว่าตัวเองเบาขึ้น กับจะมีพืชพันธุ์ัญธาหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นโรงครัวกลางไม่ว่าจะเป็นอุทยานบุนิยมอะไรต่างเนี่ยทำให้คุณพลังพรมีไฟและทั้งคุณคงธรรมเองก็มีไฟมากที่จะพยายามที่จะหาต้นพันธุ์กล้าต่างๆตามที่หมู่คณะของพวกเราที่ได้รับการแต่งตัง้งเข้าไปให้คำชีน้นะนั้นฉะนั้นมันเป็นจึงเป็นเรื่องของการที่ ทุกคนทุกฝ่ายของกสิกรรมได้เข้าใจในเนื้อหาสาระของการที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตของวบรบนะครับก็ผมขอเรียนว่าพวกเราทราบซึ้งประทับใจกับการศึกษาของวบบครับที่ไครับครับกลับนักการพอท่านสมณพุทธิรักษ์ครับกลับนักการท่านสมณะ <c oughs> ท่านศิขมาตรวจเรียนทำนิสิตวบรบทุกท่านครับ <c oughs> ผมหลักบุญเต็มใจจนครับอยากจะได้รับประเด็นที่จะพูดเรื่องการพัฒนาของพิสิทธ์นอบบอนะครับหลังจากที่วนอบบนบบอนะครับอาจจะพูดเร็วไปนะครับก็หลังจากที่ผมสมัครเกือบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสมัครเนี่ยก็มี มีพวกเราได้มาชักชวนตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะครับเข้าใจว่าเป็นการเรียนเรื่องแพทย์ทางเลือกนะครับเป็นการศึกษาเรื่องแพทย์ทางเลือกอก็เลยไม่<อ>ไม่ได้ใส่ใจเท่าไห ร, ร่ไปเข้าใจอย่างนั้นได้ไงครับแพทย์ท <laughs> ่านพูดเรื่องเรื่องออสุขภาพเออหมอเขียวว่างคุยข้ของชั่ว <laughs> ไม่ใช่หมอเขียวเลยนี่หมอโพธิรักโอ้ยคน น, นั้นกำลังกำลังยุ่งอยู่ในในงานที่รับผิดชอบอยู่ด้วยแล้วก็เลยมองมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพองค์รวม ประมาณนั้นก็เลยไม่สนใจพอตอนหลังเนี่ยไปที่วัดป่าติต้วนะครับได้ฟังพ่อท่านแสดงธรรมก็รู้สิกรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะต้องเข้ามาในกระบวนการนิสิตแล้วล่ะนะครับก็เลยได้เข้ามานะครับพอเข้ามาก็ยิ่งชัดยิ่งขึ้นเมื่อเมื่อท่านอาจารย์ดรพิศินมามาพูดเรื่องเกี่ยวกับาการจัดกระบวนการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาที่ที่สำคัญล่าสุดคือท่านอาจารย์ดออรอเนกนะัคบุตร นะครับได้มาพูดเรื่องของสว o ตนะครับคือเรื่องการมาดูเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนนะครับปัญหาและอุปสรรคแล้วก็โอกาสให้มองมาที่ อ, องค์กรของพวกเราหรือกลุ่มของพวกเรานะครับขณะที่เราเรียนขณะที่เราศึกษาไปเนี่ยครับก็มีก็มีการนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับโดยเรายกตัวอย่างกรณีของโรงสีนะครับ ได้เข้ามาเป็นเป็นการศึกษานะครับซึ่งอก่อนที่จะคือการศึกษาของเราเอาเป็นการศึกษาที่มีส่วนร่วมนะครับเราก็ได้ได้เชิญคณะโรงศีมาด้วยนะครับคณะกรรมการชุมชนคณะสภานิสิทธิ์ของเราซึ่งซึ่งอยู่ในที่ประชุมตรงนี้นะครับก็ได <t> ้มาพูดคุยกันถึงเรื่องจุดอ่อนอย่างไรมีจุดแข็งอย่างไรนะครับมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรมีโอกาสอย่างไรหลังจากที่เราระดมสมองกันนะครับก็ มองเห็นปัญหาต่างๆซึ่งซึ่งปัญหาก็มีอยู่เก่าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาการเจ็บป่วยของพ่อแรงเพชรนะครับซึ่งแล้วก็โรงสีเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ขาดแรงงานนะครับจุดจุดอ่อนของอโศกทุกที่นี่คือเรื่องขาดแรงงานนะครับแต่จุดแข็งก็คือพวกเราเป็นแรงงานฟรีแล้วก็ทำในระบบสารพ่อคีนะครับเป็นของส่วนกลาง อันนี้เป็นจุดแข็งที่เราที่เราเรียนรู้กันแล้วก็เห็นจุดอ่อนในเรื่องของการขาดแรงงานนะครับแล้วก็เรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องระบบนะครับระบบที่ที่ทําอยู่นะครับอันนี้เราก็ก็ค้นพบปัญหาแล้วเราก็ระดมสมองกันว่าเราจะเอาตัวเอาปัญหาของโร롱สีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเข้าสู่การกระบวนการเรียนรู้ของนิสิตอย่างไรนะครับเราก็ลงไปที่ ลงสีเลยนะครับไปดูปัญหาที่แท้จริงนะครับหลังจากที่เราเจอปัญหาที่แท้จริงมีปัญหาอะไรอย่างไรเราก็ได้มาพูดคุยกันนะครับมีเราตั้งคณะทํางา น, นขึ้นมาซึ่งคณะทํางานเราก็ได้ระดมสมองกันภายในคณะพวกเรานะครับเฟ้นหาบุคลากรที่ที่มีอยู่ว่าใครที่จะมาช่วยแก้ปัญหามาช่วยรงสี แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราก็มีคณะทํางานขึ้นมาอยู่หลายคนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นช่างโกะนะครับเคยอยู่โรงสีมาก่อนแล้วก็เป็นช่างนะครับอากล้าตรงนะครับเคยอยู่โรงรีขอนแก่นมาก่อนนะครับเคยสีข้าวเคยทํางานมีประสบการณ์เรื่องโรงสีมาก่อนนะครับนายอาร์มนะครับพิษิตเก่าซึ่งก็เคยช่วยงานโรงสีมาอยู่นะครับพ่อดับใจอาสุจินนะครับอาก้าทำ ก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับเป็นคณะทํางานที่จะมารับการถ่ายทอดจากพ่อรังเพชรคอยสืบทอดพ่อรังเพชรก็จะเป็นคณะทํางานส่วนหนึ่งที่คอยถ่ายทอดคอยให้คําแนะนำนะครับโดยมีคณะกรรมการขึ้นมากํากับดูแลมาช่วย อ, อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคณะกรรมการเราก็โดยตําแหน่งก็มีท่านสมณะท่านศิขมาศนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับมีอันหนึ่งฟ้าเป็นผู้ประสานงานนะครับแล้วก็มี ผู้ชํานาญการผู้เชี่ยวชาญ น, นะครับมีที่ปรึกษานะครับซึ่งเราก็ก็ตั้งกันแล้วก็ยังตั้งไม่ได้ก็มอีอยู่หลายตําแหน่งที่ที่ยังไม่มีคนเข้ามานะครับพอ <c oughs> มีการตลาดด้วยนะครับพอหลังจากที่เราได้ได้พูดคุยกันอย่างพอแรงแพ็รก็จะหนักใจเรื่องว่าเออข้าวเรามีอยู่ตอนนี้ห้0รอตันเดี๋ยวก็จะถึงฤ ด, ดูเก็บเกี่ยวมันจะมีการจะถ่ายโอนจะจําหน่ายจ่ายแจกออกไปได้อย่างไรจวบกับ ปัญหาเร่งดวง่วนตอนนี้คือน้ําจะท่วมน้ําจะท่วมลงสีแล้วแล้วข้าวเปลือกยังอยู่ข้างล่างแล้วจะเอาขึ้นมาข้างบนได้อย่างไรซึ่งปัญหาถนนก็ยังทําไม่ได้ยังใชคอนกรีตไม่ได้นะครับก็มีการพูดคุยกันหลายๆอย่างก็มีคนเข้าไปทํางานเข้าไปแก้ปัญหาอย่างทีมช่างสุวรรณที่เข้ามาประชุมด้วยก็ช่วยกันวางแผนที่จะขนข้าวขึ้นไปอย่างไรอันนี้ก็ก็ได้คําตอบนะครับส่วนเรื่องการตลาดที่พ่อแรงเพชรหนักใจนะครับก็มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันโดยเฉพาะ วอนอบเรามีคุณคุณยาดานะครับซึ่งเป็นรองประธานห อ, อการค้าอุบล น, นะครับก็ได้เชื่อมโคราชนะครับขออภัยครับซึ่งเป็นรองประธานห อ, อการค้าที่โคราชนี่นะครับท่านก็ได้ประสานไปทางห อ, อการค้าที่โคราชเพื่อที่จะหาออเดอร์ที่เราจะจําหน่ายข้าวออกไปให้ให้ให้ใหมันเบาบางลงหลังจากที่เรามีข้าวสต็อกอยู่จํานวนถึง500ตันนะครับ รวมถึงป้ามิ่งก็ประสานกับทางหลวงสีคอนแก่นประสานกับทางทีวีวุลภานะครับรวมถึงท่านสมณะถักบุญด้วยลหลายๆคนที่มาร่วมกันก็ทําให้ปัญหาที่ที่หลวงสีมีอยู่ได้คลี่คลายโดยเฉพาะเรื่องการตลาดนะครับก็เลยเห็นว่าคณะที่เราเข้ามาเรียนศึกษาเรื่องสวัส์ที่อาจารย์ด็อกเตอรอนเนกนาขาบุตรเข้ามาเนี่ยมองเห็นทางแก้ปัญหามองเห็นทางออกนะครับที่ที่มันจะเดินไป ตอนนี้ปัญหาของโรงสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นคณะนิสิตของเราก็ได้เข้าไปช่วยเข้าไปช่วยทําเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเข้าไปร่วมทําให้บรรยากาศของโรงสีเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าตอนนี้โรงสีเป็นเป็นโมเดลนะครับเป็นโรงสีโมเดล1 น, นะครับเห็นกระบวนการเห็นความสําเร็จเห็นความที่มันจะเดินไปเดินไปได้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถที่จะเข้าไปผ่อนคลายเข้าไปแก้เข้าไปปรับแก้ได้ตามลำดับอันนี้ผมเห็นว่าผลงานที่ที่วนบเราดำเนินมาการมาในเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาไปตอบโจทย์ที่ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ประมาณหนึ่งก็คิดว่าฐานงานต่อไปนะครับเราก็คงจะเอากระบวนการสปอตที่ที่ท่านอาจารย์ดรอเนียงนายขบุตรเนี่ยได้ได้มา สอนพวกเราคงจะนําไปสู่การปฏิบัติจริงเกิดรูปธรรมจริงนะครับเกิดผลในการปฏิบัติแล้วก็มีการตรวจสอบมีกระบวนการซึ่งเป็นสากลทั่วไปนะครับก็คิดว่ า, ากระบวนการนิสิตของเราเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นคําตอบที่จะคอยแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาชุมชนแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาประเทศชาติในอนาคต ต, ต่อไปอย่างอย่างยั่งยืนนะครับ ผมจำประเด็นได้อาจจะไม่ครบทั้งหมดก็อยากจะให้อาเจมมีอะไรจะครับงั้นก็คงจะนำเรียนเรียนไว้เท่านี้นะครับค่ะน้ำกราบเขากาบพ่อครูค่ะ ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะดิฉันชื่อใจดินค่ะเท่าที่พวกเราไปร่วมงานที่ทางด้านโรงสีนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเราได้รับคาตอบที่เป็นลักษณะว่ า, เ, าเข้าไปร่วมงานแล้วทำให้สภาพต่างๆเนี่ยดีขึ้นแต่นี้เพียงจุดเล็กๆค่ะที่สะท้อนออกมาว่าเหมือนกับการ เ, าเข้าไปในกระบวนการของนิสิต วนบอหรือว่าการสวอตอะไรครั้งเนี้ค่ะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่ ท, ที่เหมือนกับเข้าไปเข้าเข้าไป <c oughs> พูดไม่ถูกนะคะก็คือค่ะไปไปจัดการหรือว่ารื้อระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิงลักษณะแบบนี้แต่ว่า ก็คงจะไม่ปฏิเสธนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่มาดีแต่ว่าเสียงสะท้อนมาจากตรงนั้นนะคะทีนี้พอตอนช่วงหนึ่งที่อาจารย์อนเนกบอกไว้ในขณะที่สวทอนท้ายๆะค่ะอาจารย์บอกว่าการใช้เครื่องมือการสวทเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับองค์กรแล้วก็ช่วยกันเสริมหนุนสิ่งที่ขาดนะคะ ตอนนั้นนีฉันก็เลยนึกอะไรไม่ออกเลยบอกว่าออการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมช่วยเนี่ยจริงๆแล้วฐานงานเราเราได้ทุ่มทุ่มกําลังกายกําลังใจแล้วเราก็มีส่วนพัฒนาฐานงานมาจนถึงระดับหนึ่งที่กิจกรรมและกิจการเราเนี่ยเจริญมากๆเราได้รับออเดอร์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าการเจริญ ครั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีข้อบอกพร่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาถือว่าการที่นิสิตวนบอเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับระบบระบบใหม่แล้วก็มาเสริมให้จุดตรงนั้นน่แข็งแรงขึ้นอาจจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะ็ผลกระตอบว่าเออมันมันก็พอรับได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของสภาพจิตเนี่ย ก็คงจะรออีกระยะหนึ่งนะคะในารที่เขา เ, ข า, เขาเกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับไปไปหรือหรือว่าจับผิดอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นการเสนออีกมุมมองหนึ่งที่เป็นมุมมองเล็กๆออกไปค่ะขอบพระคุณค่ะจากผลการสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นของ อ, อันเนื่องมาจากวบว บ, บก็จะมี ทั้งผลที่ค่อนข้างดีต่อชุมชนต่อฐานงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่ยังไม่เข้าใจว่ า, วาวอบอนบคืออะไรจะมาเป็นผู้ตรวจสอบจับผิดอะไรหรือไม่แล้วจริงๆแล้วเขาจะจะต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยก็เลยนำมาสู่เรื่องราวที่เราได้มาหาหรือกันในวันนี้ว่าในที่ประชุมของอบอนอบก่อนที่จะถึงวันถึงเวลานี้ก็ได้มีการนาเสนอประเด็นที่ว่าและบทบาทของวอนบกับความสัมพันธ์ของทางชุมชนจะเป็นอย่างไร เพราะว่าจากเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เดิมก็คือเพื่อสถาปนาองค์ความรู้ออของชาวอโศกทั้งในแง่ของเนื้อหาทางลูกุตระและก็การที่จะนําความรู้ในทางโลกเข้ามาสู่การประกอบสัมมาอาชีวะที่ดาเนินการอยู่จะทำได้อย่างไรแล้วก็จุดหมายปลายทางท้ายที่สุดจริงๆมันก็คือตัวแบบที่จะแสดงให้เห็นว่า การดำเนินพิธีพอเพียงตามแนวทางโล ก, กุตระนั้นจะสามารถดำไปสู่การออรอดพ้นจากภัยพิบัติของทุนนิยมสามานได้อย่างไรนะคะนี่คือเป้าหมายสุดท้ายดิฉันก็เลยคิดจริงๆคิดก็เลยคิดเล่นๆแต่จริงๆคิดจริงแล้วก็ได้มีการประสานงานจริงไปหลายส่วนนะคะ เ, เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเนื่องจากการสถาปนาชุดความรู้ของชาวาโสมเนี่ย เชื่อว่ามันยังไม่เข้าอยู่ในเกณฑ์ระเบียบวิธีของทางสองกอหรือสำนักงานการศาึกษาเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะค ะ, ะเราก็คิดว่าแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะสอดคล้องและเป็นจริงและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ก็ต่อเมื่อมันพิสูจน์ได้ว่ามันแก้ปัญหาโลกได้จริง และปัญหาที่คนทั้งโลกยอมรับก็คือปัญหาเรื่องของทุนนิยมสามาที่กำลังเข้าไปทำลายองคาวิทยพต่างๆที่มีทั้งโลกโดยเฉพาะในในบ้านเราที่อยู่ในเขตเอเชียเอเชียก็มอีอาจารย์อันนีก็ได้สะท้อนถึงปัญหาว่าปีหน้าแล้วเนี่ยปี2558เนี่ยเราจะเข้าสู่ตลาดอาเซียนเราพร้อมรับมือกันมันได้อย่างไรที่ผ่านมาในอดีตในยุค ข, ของสงครามกับพม่าเนี่ย การที่กว่าที่เขาจะปีนเข้ามาบ้านเมืองได้เนี่ย บ, บ้านเมืองเราได้เนี่เขาต้องหาบันไดมาพาดขึ้นมาเองแล้วเสียงเป็นเสียงตายที่ปีนข้ามกำแพงเมืองเข้ามาแต่ณนะวันนี้สถานการณ์ที่เปิดอ้าแขนรับให้กับต่างชาติเข้ามาในบ้านเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบและปานประหนึ่งว่าบันไดที่ฝ่ายตรงข้ามจะต้องหาขึ้นมาเองเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำบันไดทอดลงไปแล้วอัญเชิญให้เขาขึ้นมาเปิดทั้งประตูบ้านและเปิดทั้งประตูหน้าต่างอย่างอาซ่าที่ที่เออ เพราะวันเรื่องราวทั้งหลายแหละที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ประเมินได้ยากมากเรามีการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่นี่คือโจทย์ที่อาจารย์เขาตั้งการบ้านให้มามันจึงนํามาให้เราเห็นว่าเรายิ่งเห็นความสําคัญและจําเป็นว่าการที่จะนําการสร้างโมเดลวิถีพอเพียงซึ่งเป็นการสถาปนาชุดความรู้ให้มีความชัดเจนขึ้นมาเนี่ยยิ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทําความชัดเจนแล้วการเชื่อมต่อเนี่ยกับคนที่เผชิญหน้าปัญหากันโดยตรงก็คือสถาบันการศึกษาระดับชาติหรือระดับโลก นะซึ่งเราก็ได้มีการประสานงานเบื้องต้นแต่ยังข อ, อ, อขออนุ ญ, ญาตที่จะยังไม่ระบุชื่อในขณะนี้ว่าออการเข้าไปเชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษา ร, ระดับชาติที่ว่ามาเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าวิธีพอเพียงที่เราว่าเนี่ยมันจะสามารถเป็นตัวแบบโนเบลระดับชาติหรือระดับโลกได้จริงหรือไม่ แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ในสังคมบ้านเราที่เห็นไหายานณะหรือเห็นหรือเชื่อว่ามันเกิดอาชญากรรมทางการศึกษาในบ้านเราเนี่ยที่มันกาลังพร่าพลาญระบบวิธีคิดและกลไกลการศึกษาจนทําให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมาเผชิญปัญหาเป็นได้แค่เหยื่อของปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบทนิยมสามานเท่านั้นได้เตรียมกลุยทางในการที่จะเข้าไปเชื่อมต่อองค์กรในการการศึกษา <Okay. S 1> ในระดับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับ To อป10ของอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าแห่งทุนททนิยมสามานขึ้นมาเนี่ย อันนี้ว่าในเรื่องของแนวคิดซึ่งมันกําลังเดินทางไปถ้ามันประสบความสําเร็จได้มันก็อาจจะมีการเชื่อมต่อหรือเชื่อมสัมพันธ์ว่าสิ่งที่เขาเผชิญหน้าสุดขั้วที่เขาเป็นต้นตอปัญหาและเราซึ่งกําลังหาทางแก้ปัญหาและพิสูจน์ได้แล้วว่าสําเร็จได้จริงในรูปแบบของชุมชนและเป็ น, นกลไกการศึกษาที่ที่ที่อาจจะคุ้นเคยกับคําว่าเมืองมหาวิทยาลัยนะคะเพราวนอวบที่เกิดขึ้นเราจริงกําลังเทียบเคียงกับตัวเองว่าเราคือสถาบันคือเมืองมหาวิทยาลัย ทางด้านโลกุตระที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสถาปนาชุดโครงความรู้ของชาวอาโศกว่าเราจะยืนหยัดในการต่อสู้กับทุนนิยมสามาได้อย่างไรมีทั้งตัวหลักพุทธธรรมที่พ่อครูสอนสอนอยู่ทุกวันมีทั้งตัวเนื้อหาหลักสูตรที่เรากําหนดขึ้นมาที่เราจะร่วมกันกันทําขึ้นมาและมีทั้งตัวอย่างของวิถีชีวิตชุมชนที่มีชีวิตคนจรงิงๆที่ดําเนินชีวิตอยู่ได้จรงิงว่ามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างไรและเป็น เป็นเบยบเสมือนหนึ่งที่เป็นรัฐรซ้อนรัฐเป็นรัฐหนึ่งคือหมายถึงว่ามีวิธีการดําเนินชีวิตของตัวเองในทุกกิจกรรมในสังคมที่ซ้อนอยู่ในสังคมใหญ่ที่เป็นโลกของทุนนิยมสามารนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นนักการศึกษาจริงและมีปัญญาและมองเห็นวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ไม่ไม่น่าที่จะมองข้ามในสิ่งเหล่านี้แล้วการเชื่อมต่อเพื่อทําความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นก็น่าจะเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่นานนักนี่คือสิ่งที่ เป็นภารกิจและบทบาทหลักของวอนอวที่กระทาขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเกิดเมื่อเกิดเมื่อได้มีการดําเนินการไปในระดับหนึ่งแล้วถึงแม้จะมีผลดีค่อนข้างมากแต่ความไม่เข้าใจก็คงจะมีอยูอ่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจไม่ได้ในระดับไหนแล้วก็จะยาวนานเท่าใดเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของวอนอวกับความสัมพันธ์ที่มีกับชุมชนว่าควรจะเป็นอย่างไรในการที่จะทําให้เราสามารถอ ทรงตัวอยู่ได้ในเป้าหมายหรือกิจกรรมวัตถุประสงค์ที่เราจะดําเนินอยู่และขณะเดียวกันก็ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนให้เกิดขึ้นแล้วค่อยๆ ค, ค ล, คลี่คลายความเข้าใจไปด้วยกันและจนในท้ายที่สุดก็จะกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในอนาคตถ้าเมื่อความเข้าใจนั้นได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เพียงพออย่างที่หลายท่านที่เล่ามาว่าจากเดิมซึ่งไม่เข้าใจก็เริ่มเข้ามาเมื่อเข้ามาก็เห็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าเราก็หวังว่าจะมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจนทุก ส่วนของราชธานีอโศกและชุมชนอื่นๆในเครือข่ายของอโศกซึ่งนี่คือเป้าหมายเป้าหมายแรกและเป้าหมายหลักในภารกิจของพักเพื่อฟ้าดินในในวันนี้ที่พ่อครูจะใช้ในการในระหว่างช่วงขยายอายุไขัยที่จะดําเนินการกิจกรรมในสังคมนะคะในการที่จะทําให้องค์คาพิพของอโศกเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นเอกีภาวะสามารถยกระดับตัวเองในการที่จะออกสู่สังคมได้ในระดับที่กว้างขึ้น นะคะแล้วก็ลึกขึ้นทั้งกว้างทั้งลึกทั้งในแง่ลึกของเนื้อหาทางด้านโลกุตละทั้งกว้างขึ้นในเนื้อหาของส่วนที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับสังคมข้างนอกได้นะคะและนั่นเป็นจุดที่ ท, ที่ที่จะที่เราจะเริ่มต้นต่อไป ในวันในในวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้ามเกิดความชัดเจนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้กลับมาทบทวนบทบาทของเราว่ า, าการดำเนินกิจกรรมที่จะร่วมกันต่อไปจะทําอย่างไรนั่นคือประเด็นที่อยากจะนําเรียนเสนอพ่อครูในตรงจุดนี้และส่วนที่และส่วนที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมถึงรเรื่องความเข้าใจของสวัสดิ์ที่เราหลายคนในกลุ่มนิสิตนอบ อ, อ, บอรู้สึกประทับใจและเห็นเป็นโอกาสที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเนี่ย เป็นเรื่องราที่พูดคุยกันในระหว่างหลังหลังเรียนนะคะอาจารย์ไหนก็ได้พูดให้ฟังว่าเมื่อทําสวอตเสร็จแล้วเห็นภาพชัดสิ่งที่เรายังจะต้องมองต่อไปก็คือเรื่องของ KM ก็คือ knowledge of management ว่าคือการจัดการองค์ความรู้จะคืออย่างไรความที่ดิฉันก็เคยรู้จักเคยเคยเคยได้ยินคำว่าคําว่า KM บ่อยๆแต่ก็พยายามเรียนรู้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรนะ่นักว่ามันคืออะไรก็ได้เรียนถามอาจารย์ไปว่าแล้วเคนี่มันคืออะไรและใครเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เราจะสามารถเชิญมาได้ อาจารย์เขาก็ตอบว่าผมไม่รู้หรอกว่าใครเชี่ยวชาญเพราะมันมีมีแนวคิดหลายอย่างหลายสำนักแต่สำหรับตัวผมเองผมก็ใช้วิธีการทำสวอตในการแก้ปัญหาผมมีชุดความรู้ทฤษฎีที่ผมศึกษาลเรียนมาและผมก็ได้ไปทดลองแก้ปัญหาในชนบทหรือในชุมชนที่เกี่ยวข้องทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพัฒนาต่อยอดไปสะสมมาหลายสิบปีก็ ผมก็คิดของผมเองว่าไอสิ่งที่ส ก, กัดชุดความรู้เหล่านี้มาได้แหละในการที่พัฒนาซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนสมบูรณ์มากพอนี่แหละเรียกว่า KM อาจารย์เขาว่าอย่างนี้นะคะดิฉันฟังประโยคนี้ดิฉันก็รู้สึกเก็ตหรือเปล่าประทับใจขึ้นมาได้ว่าโอไอ KM ที่เขาเขียนตํำรากันมาเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วมันก็คือพวกกลุ่มฟิลโลโซเฟอร์ที่พยายามพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ารู้มากเอาทฤษฎีมาคิดมาดูมาทําแล้วก็ตัดแปลงแต่งต่อขึ้นมา แต่จริงๆแล้วก็คือมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และแก้ปัญหาจริงในในสนามอาจารย์เขาใช้คําว่าสนามรบนะคะฉนั้นมันกึน่งได้จะเป็นความสอดคล้องระหว่างคําว่าประยัดปฏิบัติปฏิเวทในระบบก า, การศึกษาของทางพุทธก็คือมีชุดความรู้ในการที่จะพัฒนาองค์กรลงมือปฏิบัติสั่งสมประสบการณ์จนได้ประสบผลสําเร็จเป็นเป็นแต่ละจุดแต่ละเรื่องแต่ละราวนี่คือนี่คือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น แล้วสิ่งที่น่าจะเกิดตามมาก็คือว่าถ้าเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัญหาที่เป็นปัญหาที่เราว่ากันแล้วว่ากันอีกไม่รู้กี่ปีกี่ชาติที่ว่าไม่ใช่หลายปีที่ผ่านมาก็ล้วนแต่เป็นปัญหาเรื่องเดิมคือเรื่องของการขาดแรงงานนะคะความไม่เข้าใจว่าองค์คาลผู้เายของสังคมอโศกซึ่งถือว่าเป็นองค์กรภายในหรือจะเรียกว่าเป็นองค์กรทางาศาสนากับองค์กรข้างนอกซึ่งอยู่อยู่แยกออกจากกันแล้วมันก็มีกำแพง นาใหญ่ที่ความอยู่หรือจะเรียกว่าเป็นช่องว่างระหว่างองค์กรสองแห่งที่เกิดขึ้นซึ่งเรายังไม่เคยพูดกันมาก่อนเลยว่าเราจะเติมช่องว่างตรงนี้ให้เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างสองค์สหน่วยสององค์กรนี้ได้อย่างไรและนั่นแหละคือสิ่งที่กําลังจะคลี่คลายปัญหาของผู้คนที่อยากจะข้ามมาในองค์กรในอโศกแต่ยังไม่มีกําลังอินทรีย์พละมากพอที่จะกระโดดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อยากมา ไอ้อยู่ข้างนอกก็ทุกทรมานจะเข้ามาก็อยู่ไม่ไหวแล้วจะทำอย่างไรนี่คือบรดาบันไดสะพานเชื่อมต่อที่เราก็คงจะต้องหาวิธีที่จะคิดศึกษาอย่างเป็นระบบในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและนี่ก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่จะต้องที่จต้องหาทางคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเพราะมันก็จะเข้าไปรองรับปัญหา เ, เรื่องเด็กนักเรียน ของเราที่เรียนจบออกไปเราฟูมฟักกันมาหลายปีเมือ่อปล่อยเข้าสู่สังคมเพราะเราไม่สามารถจะรองรับสิ่งที่เขายังไม่สามารถทําได้อย่างที่ผู้ใหญ่มีอย่างที่พวกผู้ใหญ่ทํากันแล้วก็คือสามารถปลอดพ้นจากภารกิจทางครอบครัวปลอดพ้นจากความอยากรู้อยากเห็นปลอดพ้นจากปัญหาค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีต้องใช้อยู่รายวันโดยที่ยังไม่สามารถอยู่ในระบบขององค์กรสาธารณภูคีได้เต็มร้อซสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทําให้เด็กเราเนี่ยต้องออกไปจากระบบอโศก แล้วก็กว่าจะตีโค้งกลับมาอีกทีก็อาจจะใช้เวลายาวนานถึง 20-30 ปีไปมีครอบครัวแล้วกว่าลูกจะโตกว่าจะปวดภารกิจไปได้มันก็จะเหมือนกับรุ่นเราที่รู้จักมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วค่อยๆผ่านวิบากมาแล้วจบเคลียร์ปัญหาตัวเองเสร็จแล้วค่อยย้อนกลับมาซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปซึ่งเราน่าจะมีวิธีการในการที่ย้อนวิตรเวลาในการที่จะทาให้สิ่งเหล่านี้เชื่อมเข้ามาหากันได้ง่ายขึ้น ดิฉันก็เลยเชื่อว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับองค์กรอโศกที่จะสามารถที่จะต้องตอบคําถามสังคมว่าอสุกสิ่งที่อโศกทําหละดีแต่มันเป็นแค่ออเอซิสของสังคมนะคะมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงและเป็นสิ่งที่ไม่จริงในสังคมซึ่งถ้าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้จริงเราก็จะสามารถพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าคําสอนของ พุทธองค์หรือสิ่งที่พ่อครูกำลังพาทำเราพาเราทำอยู่เนี่ยมันสามารถทำได้กับคนทุกระดับทั้งคนที่มีฐานศินสูงที่ไม่ที่สามารถอยู่ในระบบสาธารณภคีได้เต็มร้อยสามารถเป็นนักบวชถือสิน10หรือสูงกว่าศิน10หรือคนที่ถือสิน8เข้ามาอยู่ในชุมชนหรือถือสินห้าที่ยังไม่ที่ยังจําเป็นต้องใช้เงินทองบ้างแต่ตัวเองก็มีค่าใช้จ่ายที่มีติดตัวมาแล้วแก้ปัญหาไปได้กับคนที่ยังไม่พร้อมจะเข้ามานี่มันจะอยู่ได้อย่างไรและให้โอกาสเวลาของเขาในการที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอจนนถึงงขาาดททีุ่่กอย พ้นวิบากไปเช่นพ่อแม่ตายหมดแล้วลูกโตแล้วนะคะแล้วก็นี่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาสามารถเข้ามาก่อนได้จะมีกลไกอย่างไรที่ทำให้อกเอื้ออโอกาสต่อคนเหล่านี้เข้ามาได้นี่ก็เป็นภารกิจที่เห็นความ ที่ที่มีมากในการที่จะเชื่อมต่อกับสังคมภายนอกและในข่าดาเดียวกันก็จะต้องตอบคําถามด้วยว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดสามารถปฏิบัติได้จริงในการที่แก้ปัญหาถุนนิยมสามานซึ่งกลายเป็นปัญหาของสังคมและกําลังลํา บ, บาดอย่างรุนแรงและหลังจากปี58ไปเนี่ยก็น่าจะมีทบเท่าทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คื อ, อ, อสิ่งที่เป็นภารกิจเบื้องต้นเคร่าวๆที่อยากจะนําเรียนเสนอพราะครูว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บทบาทของ นิสิตวนบหรือองค์กรวนบจะสามารถเข้ามาเชื่อมต่อหรือว่าร่วมอยู่ร่วมกับกิจกรรมในชุมชนได้อย่างเป็นระบบได้อย่างไรเช่นเป็นข้อเสนอที่เราทดลองคุยหาดูกันว่าอย่างเช่นหน่วยงานที่ที่เราเข้าไปร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างโลงสีเป็นต้นเราจะขอโอกาสถือถือโอกาสใช้ฐานลงสีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ให้เราทําบริหารงานเต็มรูปแบบรายละเอียดมีการนําเสนอรายละเอียดทั้งเรื่องของ รายรับค่าใช้จ่าย <c oughs> การวางแผน <c oughs> การจัดการและนำไปสู่ขบวนการสร้างเป็น สร้างตำราชุดองค์ความรู้ในเรื่องของฐานงานศูนย์ความรู้ข้าวครบวงจร อ, อย่างนี้เป็นต้นคือเขาเปลี่ยนจากคาว่าโรงสีเป็นศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวแบบครบวงจร น, นะคะแล้วก็ถ้าเกิดฐานงานอื่นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็สามารถเข้ามาร่วมกับเราจนถึงวันที่ชุมชนรู้สึกทั้งหมดรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้มันเข้าท่าดีเราน่าจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเราก็ค่อยค่ อ, ค, อคุยกันไปเพื่อจะไม่เกิดให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นการไป ไปสร้างความรู้สึกเบียดเบียนหรือทําให้เกิดการกระทบหรือเป็นการบีบคั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็เลยอยากจะนําเรียนหาหรือพวาคูในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะกราบมศการค่ะอ๋อค่อยเรียนไปความจริงมันก็เป็นแล้วเปิดสัรค่าสร้างคนดูก็จะเห็นเลยเราทํากันไปตั้งแต่ทุนเจดข้อแรก แล้วเราก็จะมีความรู้และการปฏิบัติที่เป็นจริงขึ้นมาเพราะว่าการศึกษาของเรานี้ไม่ใช่การศึกษาเฉพาะตัวหนังสือเรามีเป็นงานด้วยปฏิบัติงานด้วยและประพฤติจริงด้วยไม่ใช่ประพฤติอยู่ในห้องแลบซึ่งเป็นโรงเรียนหรือเป็นมหาวิทยาลั ย, ยที่อัตมาว่าพวกเรามัน อาตมาไม่ถามเรามันคิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะทฤษฎีนี้เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะถ้าจะพูดว่าเออมหาวิทยาอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะแบบนี้ลักษณะนี้นะจึเป็นเรื่องที่มหาจัจันร์ก็ตอบได้ว่ามันเกิดได้เพราะทฤษฎีของพระพุทธเจ้านะันเป็นเองที่ไม่เป็นนั้นมันถูกแล้ว มันเข้ามาในขายความรู้และการปฏิบัติข้อ8ข้อข้อของสัค่าสร้างคนคือข้อ8มีหลักมีระเบียบมีเป้าหมายข้อ9มีการจัดสรรและจัดโครงการข้อมีการแบ่งงานและประสานเนื่องหนุนมันก็เกิดจริงแล้วไงมันไม่ใช่เรื่องเอาแต่ตำรา นี่มันถูกต้องแล้วมันจะดําเนินเพื่อมันเองเลยเนี่ยข้าวหลักเลยเนี่ยอาตมาก็แต่แต่เกินเกินํานำพูดพูดตอนแรกยังไม่อธิบายมากมายยังไม่ได้ก็อธิบายไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเน้นอะไรมากมายแต่เมื่อมันถูกต้องมันจะเดินขึ้นไปมันไม่ผิดมันไม่ออกนอกแนวอะมันก็จะเป็นเช่นนั้นไปจนกว่ามันจะเกิดบทบาทที่ดีในกลุ่มหรือว่าในชุมชนหรือว่าในสังคมมันจะเกิดบทบาท เนี่ยการแบ่งงานประสานเนื่องหนุน อ, อะไรในจัดระเบียบจัดระเแบบียบอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยจากสามข้อของความรู้ความปฏิบัติการปฏิบัติมันก็จะเกิดผลเป็นบทบาทเป็นพฤติกรรมของกลุ่มของชุมชนของสังคมมันจะเกิดขึ้นมาจริงๆมันจะมีกระจิกกระใจไมใ่ในมีความใส่ใจขนขวายไม่ดูดายมีการปรับความเข้าใจกันให้เกิดความสามัคคีเสมอ มีการขัดเกลาปฏิบัติละกิเลสเสมอและมีความเห็นดีความยินดีมีความเห็นจริงทราบซึ้งเชื่อมัน่นมันกำลังเกิดใ ห, ให้ให้เห็นเป็นสัจธรรมพอพูดไปแล้วเนี่ยพอนึกออกไหมว่ามันเกิดมันเกิดหรือยางมันเห็นไดๆหรือยังเห็นแสงอรณุณในก่อนที่จะเห็ น, พ, หนพระอาทิตย์หรือยัง โอ้โหเห็นไหมมันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องห่วงหลอกเพราะว่าการศึกษาของเรามันไม่มีแต่ในตำราแต่มันมีภาคปฏิบัติมันมีองค์ประกอบที่ครบมีองค์ประกอบที่ครบมีวงจรของสังคมที่มันมีพร้อมให้เราทําซึ่งเรียนแบบได้ยากมหาวิทยาลัยแบบนี้เรียนแบบยาก พะมหาวิทยาแบบนี้เป็นมหาวิทยาจริงที่ถามเป็นอันสุดท้ายว่าแล้วตกลงนี่นะวอนอบอนี่มันจะนมหาวิทยาของประชาชนหรือมหาวิทยาของสังคมอย่างไรจริงหรือไม่แน่นอนเป็นเลยมันจะเป็นมหาวิทยานี่แหละทั้งสังคมทั้งองค์กรทั้งหมู่บ้านเป็นมหาวิทยา มันจะเ ป, นเป็นทั้งหมู่บ้านนี่เลยไม่ทําหมาติอยู่แล้วและอัดมาว่าต่อไปในอนาคตมันไม่ใช่เท่านี้มันมีพลเมืองของมหาวิทยาลัยมันมีตัวบุคคลผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้นำผู้ปฏิบัติผู้ลงมือผู้อาศัยเป็นของจริงไปหมดเลยเป็นของจริงไปหมดเลย เพราะฉะนันมันมีผลอย่างชัดเจนนี่เริ่มต้นก็เห็นแล้วเริ่มต้นก็เห็นแล้วตั้งใจดีๆเถอะนาไม่ผิดหรอกอาตมาเห็นแล้วเนี่ยพอพอฟังปัญหาร์ฟังอะไรแล้วก็โอ้เนี่ยมันก็เข้าหลักเข้าเกณฑ์เลยเข้าทางเลยนเป็นไปจริงๆเลย มันไม่ใช่เรื่องมาพูดเล่นๆเลยน่ามันจะเกิดตามที่ได้อธิบายมาก่อนแล้วในสัญค่าสร้างคนนี้ว่ามันจะเกิดการศึกษาและการเอาจริงและต่อเนื่องและประสานสัมพันธ์กลุ่มและจึงจะขยายงานเผยแพร่ ก, การตลาด นี่คือความสำเร็จของบุญนิยมที่มันจะเกิดมาทําลายทุนนิยมสามาที่คุณพูดนี่แหละอีกกําลังเกิดการศึกษากําลังเกิดการเอาจริงกันอยู่แล้วกาลังมีการเชื่อมต่อต่อเนื่องกันขึ้นไปแล้วกำลัเกิดประสานสัมพันธ์กลุ่มขึ้ น, นไม่ใช่ว่าเราทำนี่มันที่ถามเมื่อกี้นี่ว่ามันจะเกิดความแตกแจกไปทําให้เกิดสิ่งที่เขามีอยู่เก่าแล้วเกิดแตกไม่ใช่ มันจะรวมกลุ่มโตมันจะรวมกันเป็นสามคัคคีไม่ใช่มันจะไปแตกมันก็ต้องมาแบ่งดูแยกดูมีอะไรที่จะจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ใช่อยู่ก้อนกระจุกนิดเดียวแล้วมันไม่เกิดคลี่คลายเลยเลยไม่เกิดขยายผลไม่เกิดขยายไไม่เป็นผลรวมเป็นผลสูง ข, งขึ้นมาไม่ใช่เลยมันจะเกิดจริงเลย นะเพราะนี้ในขณะนี้อยู่ในระดับศึกษาเอาจริงต่อเนื่องประสานสพันกลุ่มยังไม่ต้องถึงขั้นขยายงานเผยแพร่การตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าทำต่อไปเถอะน้ามันก็จะเกิดพฤติกรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมบุญนิยมที่ดีขึ้นมาตามที่อาตมาได้อธิบายไว้ตองแ้วในหน้าสิบก้าวัฒนธรรมบุนิยมมีปัญญาที่ดีมีความภาคเพียรบากบันที่ดีมีเหตุปัจจัย องค์ประกอบที่ดีผลที่ได้รับได้อาศัยที่ดีเมื่อที่เกิดผลที่ได้รับได้อาศัยที่ดีต่อจนั้นมันก็จะพ้นทุกข์ที่ดีเป็นความยั่งยืนนานอย่างดีเป็นต้นนิพพานธรรมของมบุญนิยมที่จะไปไม่ต้องไปพูดแรงไม่ตจะไปถล่มทลายทุนนิยมสามาหรอกมันจะไปแก้ปัญหาทุนนิยมสามาได้ อย่างเป็นสัจจะจริงๆที่ว่านี่ น, นี่คือประเด็นที่อาตมาเอาจากาที่ตั้งใจจะค่อยๆบรรยายค่อยๆสอนและพร้อมกันนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติในภาคปฏิบัตินอกจากจะศีเด่นเป็นงานเป็นงานก็ภาคปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปก็เริ่มเห็นไงฟังพอเข้าใจไหมว่ามันเป็นไปตามที่อาตมาว่าเนี่ยอ่า มันก็ค่อยเป็นไปนะเพราะงั้นในเรื่องวิชาการก็จะค่อยรู้ก็ก็เข้าใจก็ค่อยเรียบเรียงก็ค่อยบันทึกอ่านะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นวิชาการพวกเราก็จะเขียนวิชาการเป็นนะเขาจะก็ค่อยจัดหมวดจัดหมู่จัดระบบจัดระเบียบอะไรขึ้นมาทาัทาง้งทั้งที่อาตมาี่แสนที่จะไม่ได้เรื่องหลอกเรื่องวิชาการเยะเกินอะไรเนี่ยนะ แต่วพาพวกเราเนี่ยอาตมาว่ามีอาจารย์ผู้รู้ผู้อยู่ในวงวิชาการมาช่วยกันตั้งหลายผู้หลายคนเข้ามันก็จะเป็ น, นก็จะมีพอาตวาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอาตมารู้รวมๆนะก็ถือว่ารู้รวมๆ ร, รู้เนื้อๆเท่า น, นั้นเองนอกนั้นก็ไม่ขอเป็นอะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่จริงอ่ะมันออกมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอ้สิ่งที่เขียนที่เป็น จะเหมือนว่าตำราก็ไม่แฉตำราจะว่าพิชการก็ไม่ช่้พิชการอะไรเนี่ยสัญการ ส, สร้างค น, นแต่มันก็เกิดออกมาจากความความจริงความรู้ความจริงที่มันออกมาแล้วก็มาเลปรียงมาอะไรออกมาก็มาสื่อมาเป็นนิรุติปฏิพานออกมายัางเงี้ยก็ไม่รู้จะใหพูดยังไงเพราะว่ามันเป็นอจินตไตเรื่องที่อธิบายไม่ไม่ได้ แต่มาก็คืออาตมาที่ทำอย่างนี้ออกมาได้แล้วก็ออกมาให้พวกเราก็ค่อยช่วยกันขยายผลหรือว่าขยายปฏิบัติประพฤติเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติอาตมาก็จะเป็นแหล่งแหล่งแรกของโลกที่มันจ ะ, เ ก, ะเกิดการศึกษาแบบใหม่นี่เป็นนวัตกรรมของโลกจริงๆเป็นการศึกษานวัตกรรมของโลกชัดๆเลย อาตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆนะไหมก็จะว่าอาตมาหลงก็แล้วแต่อาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรใครจะว่าหลงก็หลงไม่มีปัญหาหรอกแล้อาตมาว่าอาตมาเห็นจริงนัเพราะฉะนั้นในการศึกษานี่ก็ขอย้ำนะั้นะสรุปก็ค้าว่าที่เป็นประเด็นที่ถามาเมื่อกี้ว่ามันถูกต้องไหมถูกต้องแล้วจะไปจัดการการทุนนิยมสา ม, มานได้ยังไง แน่นอนได้แน่นอนแต่เราไม่ต้องไปพูดแล้วเราก็ไม่ต้องไปคาดไม่ต้องไปคาดคะแนนไม่ต้องไปคิดจะไปทําลายเขาอะไรไม่ต้องทําไปตามสัจจะเธอมันเกิดเองเหมือนกับที่มันเคยเกิดไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะนะมันไปเกิดทบเข้าไปแล้วก็ไปเหมือนมันไปเป็นปัญหาไม่ใช่มันกําลังไปทํางานมันกําลังไปออกผลมันกําลังทํางานกําลังมีภาพประพฤติปฏิบัติกําลังสังเคราะห์สังขารกันอยู่ เป็นกระบวนการที่มันกำลังเกิดกระบวนการเรื่องราวที่มันกำลังเกิดการศึกษาเอาจริงนักศึกษาแล้วก็เอาจริงขึ้นมาซึ่งมันปล่อยละเลยกันมามากละเพราะาตอนนี้มันก็ถูกจับเรื่องราวเข้าไปในตามหลักสูตรที่ว่าเนี่ยมันศึกษามันเอาจริงและต้องให้ต่อไปให้มันต่อเนื่องให้ได้อันที่สาม ถ้าเอาจริงหรือว่าเขาไม่เอาจริงมันก็ไม่เกิดต่อเนื่องถ้าเอาจริงแม้เอาจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นต่อเนื่ อ, องมันก็ไม่มันก็ไม่สืบสารมันก็ไม่เป็นไปมันก็ขาดตอน employees. แต่ศึกษาเอาจร ian, ิงต่อเนื่องและกระปรสามสัมพันธ์ให้เกิดกลุ่มสารสัมพันธ์เป็นกลุ่มเกิดกลุ่มขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องจริงนี่มันจะเจริญพัฒนาขึ้นมาแน่นอนนะ การศึกษาอันนี้ยิ่งเห็นว่าพวกเรายิ่งเข้าใจขึ้นยิ่งพฤติกรรมก็มีพฤติกรรมขึ้นแล้วมีงานจริงไม่ใช่เรื่องสมมุติไม่ใช่ห้องแลบไม่ใช่เรื่องทดลองเฉยๆจะว่าทดลองมันก็ทําจริงทดลองอย่างทําจริงในแลายอันมันเป็นของจริงอยู่แล้วเราเข้าไปเนี่ยเอา ก, การศึกษาเข้าไปใส่อย่างฐานงานต่างๆก็เป็นอยู่ ไม่ว่าฐานไหนหรอกฐานกสิกรรมฐานลงสีฐานลงปุ๋ยฐานอะไรต่างๆนานาซึ่งมันจะเป็นไปอีกทั้งนั้นทุกฐานนั่นแหละฐานพาณิชฐานสื่อสารฐานโน่นฐานนี้อะไรก็แล้วแต่มันจะค่อยๆชัดเจนพวกเราจะชัดเจนว่านี่คือการศึกษาคือการพัฒนาทั้งความรู้และความเป็นจริงมันจะพัฒนาทั้งความรู้และความเป็นจริงไม่ใช่พัฒนาแต่ความรู้ จะเกิดเมื่อไรเป็นเมื่อไรไม่รู้เลยพวกจบปริญญาด็อกเตอร์ออกมาและปริญญาเอกออกมาก็ยังไม่รู้ว่ามันจ ะ, ะมันจะเกิดอะไรเกิดยังไงนี่เราจะรู้ไปด้วยในตัวเลยความรู้ก็จะรู้ไปพร้อมกันเกิดผลมันก็จะรู้ไปในตัวความผิดพลาดบกพร่องมันก็จะเรียนรู้ไปในตัวเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราได้แค่นี้นะต่อไปเราจะมีปฏิภาณความรู้ความฉลาดมากกว่านี้มันจะง่ายขึ้นมันจะเป็นอะไรใจขึ้นมา พราะฉะนั้นในขณะนี้เริ่มต้นใหม่ๆนี่เราปีหนึ่งปีหน้าปีสองเนี่ยเราก็จะมีความรู้จะมีพฤติกรรมเราจะมีความสามารถมีทักษะเพิ่มขึ้นกว่า น, นี้ตั้งเยอะปีหนึ่งในข้างหน้าขาวน้าก็จะเข้าระบบเข้าระบอบเข้ามันก็จะมีอะไรใจเข้าเรื่องของเรายิ่งกว่า น, นี้ขึ้นมาอีกเนียนเงนไปเรื่อยๆพอขึ้นปีสามมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วปีหนึ่งมันก็จะ ที่เราได้ผ่านมาแล้วมันก็จะเป็นลงตัวมันจะเข้าฝักมันจะรอยเรียงเรียบเรียงขึ้นมาซ้อนซ้อนซ้นก น, นไปนึกออกไหมอ่าเพระเาะฉะนั้นอาตมาเห็นว่าโอ้โหเริ่มต้นเนี่ยมันก็น่าดูแล้วซึ่งจะเป็นอย่างไรอาตมาก็ดูองค์รวมชัดยิ่งเข้มชัดเรื่องมาเป็นสถานการศึกษาวิธีการศึกษา สถานการศึกษาที่มีวิธีการศึกษาเนี่ยโอ้สมบูรณ์แบบขึ้นมาอย่างสำคัญเลยเอ า, เอาตั้งใจดีๆเอาดีๆนะนะอาจารย์ต่างๆที่ได้ผ่านการศึกษามาต่างๆนานาแล้วก็มีความเข้าใจอยู่ว่าการศึกษาที่มันได้ทำมา อย่างอาจารย์หลายๆทั้งหลายทัาาย้งอาจารย์อเนกอาจารย์วิชัยต่างๆที่เรานั่งผ่านมาจะจ ะ, จะเข้าใจเลยจะรู้เลยมันจะมีข้อเปรียบเทียบอแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มใหม่ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้มันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรจริงๆค่าดูไปเถอะเพราะว่าอย่างสองอาจารย์ที่กล่าวชื่อมาแล้วเนี่ย เคยเข้าใจแล้วก็ผ่านอะติเตมาเนี่ยก็ยจำรู้ทีนี้อื่นๆอาจารย์ต่างๆนานาที่ยังพออยากจะหาทางอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรเขา ย, ยังนึกไม่ออกเลย ว, ว่ามันจะมีอะไรแค่ไหนอย่างไรต่อไปในอนาคตอาตมาว่าจะ ค, ค่อยๆมีบรรดาอาจารย์ที่รู้สึกลึกๆมีปฏิภาณมีปัญญาภูมิปัญญาที่เข้าใจอยู่แล้วว่าเออมันจะแก้อย่างอะการศึกษามันจะแก้อย่างไงเนี่ย อาตมาว่าก็คงจะมีเพิ่มขึ้นมาให้ให้ให้ให้เห็นได้ใ น, นในอนาคตจะมีผู้ที่เป็นอย่างที่อาตมาว่านี่นั่นนี่นี่คือสิ่งที่อาตมาเห็นขณะนี้นะตอนนี้จะให้ว้าอะไรต่อไปอะ นี่ก็ไขปกประเด็นที่คล่องใจเมื่อกี้อะ ม, มีท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมคะที่อยากจะเรียนถามพ่อครูคะนี่ทุ่มกว่าแล้วทุ่มสิบสามนาทีแล้วพ่อครูจะให้เวลากี่มากน้อยแล้วคะหรือว่าจะสอนต่อเอ้าจะสอนต่อเลยสอนต่อแล้ ว, ออลวเอา้าวันนี้ยังไม่ได้จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะตั้งใจจะสอนอะไรนี่ อาตมาก็ออกมารีเล็กไม่มีอะไรอาตมาก็จุกลับเข้าไปเขียนหนังสือต่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรก็เปิดฟรีสําหรับคนที่อยากจะถามและอยากจะพูดค่ะเชิญเอาเอาเลยเชิญยกมือเลยแล้วก็ได้เดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปไว้ที่มือจะได้เร็วขึ้นม่อีกแค่นี้ทําให้เสร็จสักทีขอโอกาสค่ะที่ฉันดาวเย็นค่ะก็ <c oughs> พูดถึงที่ได้มาเรียนวนบนะคะ สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองได้รับก็คือทําให้เราได้เพิ่มอธิศีนขึ้นอย่างเช่นง่ายๆนะคะเรื่องกินอย่างเงี้มันก็ได้กระชับมื้อขึ้นมาชัดเจนและไม่กล้าจุบจิบเลยนะแม้แต่ยอดผักกูดก็ยังไม่กล้าจิบเข้าปากเลยนะคะในสวนคือมันก็ไอ้นี่ก็ชัดเจนนะแล้วก็อย่างเรื่องเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยก็มีนิสิตหินพันท่าน กินอาหารแบบแมโครเรียบง่ายนะก็ไปพากินก็เห็นประโยชน์ตรงนี้นะฮะทีนี้การมาเข้าเรียนอย่างเงี้ยแม้เราจะอยู่ไกลนะพวกที่ฉันรู้สึกว่ากระหืดกระหอบอยู่นะบางทีกราบนี้ช่วงแรกๆบางบานก็ร่วมสี่ทุ่มนะต้องหอบลูกกลับกลับพร้อมกับแม่อย่างเงี้ยก็ทั้งคณะนะฮะก็มีนิสิตสาคนตอนนี้แต่ถ้าน้าท่วมก็คงจะมีเพิ่มนะะ um ก็เห็นประโยชน์ค่ะว่าการได้ขนขวายข้าหมูนี่มัน มันมีประโยชน์มากค่ะทําให้เราได้ได้เลื่อนให้เราจเจริญนะคะมันก็ชัดที่เราตั้งใจว่าเราเราก็อยากจะเจริญทางธรรมมากขึ้นอีกหน่อยจะเชื่อราาวระเจ้ามิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดลอด้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นพรหมจรรย์ค่ะดิฉันก็เข้าใจอันนี้มากขึ้นก็ดูก็ก็เชื่อเรื่องนี้ค ะ, ะว่าก็เลยต้องปีนเข้าหาหมูแล้วก็ชอบเรื่องการเรียนด้วยค่ะอันไหนที่ใหม่ๆที่พ่อครูมีการดรําริหรือหมู่กลุ่มดํารินี้ดิฉันว่ามันเป็นที่ทางพาเราจเจริญนะคะ ก็จะไม่มีกิเลศสะดุดหน้าสะดุดหลังเลยนะไม่ว่าจะพาไปนู่นไปนี่ในส่วนที่ท่านที่ที่อยู่กับชาวโสมมาเนี่ยท่าทิศทางของผู้ใหญ่ว่ายังไงเราก็ตามเลยไม่ต้องไปเฮ็ดใจมันขีนหรอกเพราะว่ามันไม่ดีนะดิท่านเห็นคนมาเยอะแล้วขีนหน้าขีนหลังนะพาไปไร่ทักขินก็ขึ้นจังสั้นคือนจังสี่ไอเราก็จะไม่ทําอารมณ์ไม่อย่างเงี้ยเพื่นว่าดีกันวันน้ำโกรธว่ามีปัญหาหรอกเสื้อผู้นําไปก่อนแต่ที่ท่านก็คือ พิสูจน์จากตัวเองว่าแล้วเราก็เดินทางมาตั้งร่วม30ปีนี้ก็จเจริญในธรรมขึ้นเรื่อยๆก็กจเจริญในคือคือเราเห็นว่าพวกเราจเจริญขึ้นเรื่อยๆนะ่ก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็เชื่อมั่นว่าขบวนของพวกเรานี้จะจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยในทุกๆด้านนะค ะ, ะนี่ฉันมั่นใจอย่างนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะน้อมกราบนวัฒ ก, การพ่อท่าน ธรรมศส ก, การท่านสมณะท่านศิษธมาการที่ฉันบุญใจนะคะคิดคิดคิดในใจว่าอู้ทาไงเราจะอยู่วัดได้อย่างอย่างผาสุขเพราะว่าเคยพาลูกมาตั้งแต่ปีสหนึ่งทั้งลูกชายคนโตลูกสาวคนเล็กทุกคนก็ออกไปใช้ชีวิตเหมือนชาวโลกเหมือนเหมือนคนที่ยังไม่เคยมาวัดไปกินเนื้อสัตว์ไปกินอะไรเหมือนเดิมแล้วก็ทิศทางการศึกษาเราเป็นจะไปยังไง ยัตันค่ะยอมรลบวว่าตันมากเลยตัวเองก็อยู่ไปอยู่มาก็ออกไปเลาะไปทำคอสสุขภาพไปทำอะไรต่ออะไรรอบนอกจนจนรู้สึกว่าตามหาตามหาสิ่งที่ตัวเองตามหาเจอวันนี้ค่ะเห็นจริงว่ามันใช่มันใช่แล้วมันเป็นทางออกที่ที่ออกได้จริงๆค่ะขอพูดแค่นี้ค่ะค่ะเขาอกาสต่อเลยนะคะเขียลูกเขาโกเลยเนาะ เขาแกะต่อเลยนะคะอันนี้เป็นคําถามค่ะพท่านอยากจะเรียนถามพท่านว่าการที่เราจัดการศึกษาในชุมชนตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนเป็นเมืองของมหาวิทยาลัยตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะมีขอบเขตแค่ไหนในการร่วมมือกันระหว่างชุมชนแล้วก็วนบลตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกรูปแบบเลยเป็นหนึ่งเดียวกัน โอ้ยมันสงสัยข้องใจจะเอาแบ่งแค่ไหนไหรือว่าการศึกษากับชุมชนจะเกี่ยวกันคล้องกันแค่ไหนโห้ไม่น่ามีเป็นคำถามสาธารณโภคีเลือดเนื้อเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นการศึกษาจะเป็นแบ่งแยกงานจะเป็นแบ่งแยกวิธีการอะไรอะไรก็แล้วแต่ไปต่างๆมันคือความหลากหลายของพฤติกรรมของมนุษยชาต ที่จะสร้างประโยชน์ในแง่ต่างๆเชิงต่างๆเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยค่ะแสดงว่าในทุกส่วนทุกฐานงานที่มีอยู่ในหมู่บ้านของเราตรงนี้ก็คือสถานที่เรียนรู้ของนิสิตทุกคนใช่ไหมคะอ้าวอย่าอย่าคิดช้ากว่า น, นี้อย่าเข้าใจช้ากว่า น, นี้จงเข้าใจให้เร็วกว่า น, นี้นิดนึงะถูกต้องที่สุดละขอบพระคุณค่ะกลัขบขอาการพระท่านค่ะ ะจะรู้สึงทราบซึงมากคําว่าสรรค่าสรรค่าสร้างคนนะคะแบบว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนจากที่ที่หมุนนะคะที่นี้เนี่ยเพราะท่านเนี่ยสรรมาจากไหนจากฟ้าจากดินยังไงจะต้องหมุนหมุนแรงขนาดไหนนะคะถึงจ ะ, ะจะจะไปชนะทุนสามานได้ พวกเราก็คิดมากคิดคิดก็คิดกันไม่ออกถักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะจะชนะออ้าตบไดเลยสามานได้ยังไงตอบได้เลยคุณไม่ต้องไปคิดว่าจะชนะทุนสามานได้อย่างไรไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดเอาชนะไม่ต้องไปคิดจะไปทำลายไปทําลายอะไรเขาเราพูดเราพูดโดยวิาห์นที่เฉยที่ว่าเราจะไปชนะทุนสามานเราพูดโดยโวหาร โดยความจริงแล้วเนี่ยเราทำความเจริญให้แก่เราเองลักษณะของการศึกษาของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของการศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเพราะฉะนั้นจะไปทำลายทุนนิยมสามาัญก็ไม่ไปทาลายไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครมีแต่เป็นคุณเป็นคุณเป็นประโยชน์นะเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะไปช่วยทุน นิยมสามารถเขาให้เขาเปลี่ยนแปลงให้เขาหยุดสิ่งที่เขาไม่ควรทํายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกอย่า ง, อ ย, างอย่างนั้นอางนั้นจริงๆริงทีนี้ประเด็นอีกอันที่สองว่าแล้วมันจะไปทําได้เมื่อใดเมื่อเราเองมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพได้หนึ่งหน่วยมันก็ขยับไปช่วยเขาได้หนึ่งหน่วยหรือ เราก็ทําความเจริญของความเป็นบุญนิยมเพิ่มขึ้นได้สองหน่วยมันก็เพิ่มขึ้นอีก3หน่วยห้าหน่วยร้อยหน่วยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เพิ่มทั้งความเจริญของบุญนิยมแล้วมันก็ทําให้ทุนนิยมเขาแก้ไขปรับปรุงตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจะชนะเมื่อไรเมื่อเหตุปัจจัยของมันมีถึงขีดเพียงพอของมันไปตามลําดับ หมันได้มีหนึ่งพอมันก็ได้ไปหนึ่งลำดับสองมันมีสองพอได้สองสี่มันมันสี่พอก็ได้สี่แดมันได้มี8พอก็ได้8ข้อสําคัญเราจะทําความก้าวหน้าของความเจริญของการเรียนการศึกษาการฝึกฝนของเราได้ขึ้นไปเท่าไหร่เท่านั้นเองนั่นคือคําตอบคุณถามมาตมาตมาก็ตอบว่าคุณต้องทําให้มันเกิดได้เร็วได้มากถ้าคุณรู้ว่ามันเร็วคุณทํารู้ว่ามันได้มาก ก็ตอบได้ง่ายขึ้นประเมินค่าไว้มันจะเร็วเท่าไรได้มากขึ้นขอโอกาสนะคะอดิชันดีหวานนะคะหรือลองหินค่ะสรุปว่าตัวเองดีใจนะคะที่ได้มาเป็นนิสิต แล้วก็ผลของการฟังทำก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจตัวเองวิเคราะห์ตัวเองได้วิจัยตัวเองได้หยุดตัวเองได้พิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะขอยกตัวอย่างประเด็นที่ชัดเจนที่สุดก็คือเมื่อวันที่ห้ามิถุนาคือวันเกิดพ่อท่านที่ผ่านมานะคะลูกชายดิฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะ ซึ่งรุนแรงมากแต่ด้วยมีผลบุญนะคะที่ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามรถชำรุดเท่านั้นนะคะตัวลูกชายฉันไม่เป็นอะไรเลยนะคะไม่เป็นอะไรเลยทั้งหลานตัวน้อยๆที่อยู่ในรถด้วยซึ่งดิฉันก็ก็ดีใจที่เป็นแค่นั้นคือแค่รถเสียหาย ดิฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดลูกและหลานเนี่ยได้รับอันตรายจนถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ไม่ทราบว่าดิฉันจะทำใจหรือพิจารณาได้แค่ไหนนะคะ mm. Mm. เมื่อเกิดเหตุในวันนั้นดิฉันก็ตัดสินใจที่จะเป็นนิสิตอย่างเต็มตัวทันทีเพราะมันมีโ ย, ยมทูตเทวทูตนะคะมาเตือนดิฉันว่า ดิฉันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าดิฉันจะตายวันหรือตายพรุ่งส่วนที่หลายๆท่านเห็นดิฉันเดินคล่องแคล่วยิ้มสดใสร้องเพลงได้ก็จะขอบอกว่าความจริงแล้วสุขภาพกายดิฉันเนี่ยแย่มาหลายอย่างนะคะผ่าตัดมาหลายอย่างนะคะผ่านโรคผ่านภัยอะไรอะไรมาหลายอย่างแต่ณขณะ น, นี้สุขภาพดิฉันพอเป็นไปนะคะ<อ>ก็เดี้ยวหายเดี้ยวหาย เนี่ยหายก็กราบขอบพระคุณพ่อท่านค่ะล่วงหน้านะคะส่วนตัวเองก็อาจจะเคยพูดแล้วนะคะว่าเข้ามานี้ก็คือมาทดสอบทฤษฎีของพ่อท่านทฤษฎีสาธารณโภคีนะคะหรือเหมือนที่คุณหนึ่งฟ้าพูดถึงเด็กนักเรียนของเรานะคะที่เรียนจบแล้วเขาก็ยังต้องออกไปข้างนอก เรียนต่อเพื่อที่จะไปหาเงินใช่ไหมคะนั่นเพราะเขาไม่มั่นใจในทฤษฎีของพ่อท่านส่วนคุณงามดีมากนะคะบอกว่าฟังพ่อท่านถ้าเข้าแต่หูไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์น ะ, ะที่ฉันเห็นด้วยมากๆค่ะส่วนตอนนี้ที่เจออันหนึง่งไปเปิดสรรค่าสร้างคนนะคะ หน้า28อ่านแล้วสะดุดแล้วก็จะพยายามไปให้ถึงค่ะนั่นคือเป้าหมายของการเป็นนิสิตนะคะเพราะท่านเขียนไว้ว่าเป้าหมายก็คือให้เป็นผู้มีวันนะเก้านะคะพวกเราจะก้าวไปถึงไหมสองให้มีสภาพเป็นคนสามโลกกล่าวคือ โลกุตระโลกอยู่เหนือโลกนะคะโลกวิธูรู้เท่าทันโลกียะโลกานุกรรมปายะมีใจอยากเกื้อกูลโลกมีเมตตามีน้ำใจมีกรุณาดิฉันก็จะเพียรพยายามนะคะแล้วขอให้หมู่กลุ่มทุกทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจและเดินไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณค่ะ กราบนมัสการพ่อท่านหมู่สงและศิกามาสขอขั้นรายการจากสาระถู่สู่โลกสุนทรีบ้างนะขอจรเิญทางพี่น้องทุกคนค่ะ ต่อไปนี้ไม่ใช่คำถามนะคะแต่เป็นคำปรารกลเล่าสู่กันฟังคือที่ฉันเดินทางไปจังหวัดตรังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนั่งรถจากอุบลไปกรุงเทพ11ชั่วโมงแล้วต่อไปตังอีก12ชั่วโมง <c oughs> รวม23าชั่วโมงไปอเมริกานั่งเครื่องบินแค่17ชั่วโมงนะคะ อันนี้ก็ต้องดีดิฉันก็มีทุนเสริมเียทุนแถมเนี่ยนะคะพ่อท่านเ <laughs> <laughs> พราะว่าหนึ่งสุขภาพดีสองก็มีความขวนขวายกับเขาเหมือนกัน <laughs> ทีนี้พอนั่งรถไฟนั่งคนเดียวก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปแล้วก็เอาที่พ่อท่านสอนไหมฮะแล้วก็มานั่งทบทวนทบทวนนั้งสาวิชาแล้วก็คิดไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ คิดว่าเออพ่อท่านเอาวิชาสามวิชานี่มาสอนก็สรรค่าสร้างคนเราก็เคยอ่านมาตั้งสิปี20ปิปีแล้วก็ยังผ่านไปเฉยเฉยตั้งแต่ปกสีเขียวสีตั้งปกสีน้ำตาลสีสีฟ้าเอ้สีน้ำตาลกับสีเขียวใช่ไหมครัพ่อท่านจนมาถึงสมัยปัจจุบันสวยงามมากแต่ก็อ่านไปก็ยังเฉยเฉยอยู่ แต่ความรู้สึกเวลามาฟังพ่อท่านอาน่านเพราะท่านสอนให้ฟังอธิบายให้ฟังรู้สึกว่าดีกว่าที่เราอ่านเองตั้งเยอะมากๆรู้สึกว่ามันเข้าไปถึงจิตเลยแต่ไม่เรารู้สึกเหมือนกับว่าแต่ก่อนก็เรายังเฉยได้มัง่งไม่ได้มัง่งทีนี้เราก็ต้องตั้งใจใหม่แล้วว่าต้องอยังสดุดที่พ่อท่านบอกให้กิเลสกดหัวมันอยู่หรือไงเราต้องชนะมันอะไรในตำรองนี้ค่ะ ทีนี้ว่าสรรค่าสร้างคนก็สรรอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นก็บอกมาบอกว่าสรรสิ่งที่มีค่าให้กับตัวเราเองแล้วก็สรรสิ่งที่มีค่าให้กับคนอื่น <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็ไปเรียนเพื่อไปเรียนวิชาพุทธชีวศิลป์เพื่อการมีชีวิตอย่างมีศิละปะแบบพุทธแท้ๆยังก็คิดโยงไปอีกว่า น่าจะไปถึงมิติที่แปดเก้าสิบไปโน่นจบเลยสามวิชาจบแล้วเหมือนพ่อท่านบอกว่าเป็นอนหรหันต์จ้อยแต่ว่าดิฉันมาทบทวนดูในห้องเรียนนี้สมมุติว่าเพื่อนเราในห้องเรียนเนี่ยเราจะมองว่าเออคนนี้เรียนเก่งนะคนนี้เฉยเฉยคนนี้อย่งงางโน้นอย่างนี้เรามาคิดเทียบตัวเองเราจะอยู่ในฐานไหนเนาะ ถ้าเป็นพระก็คงจะเป็นพระอันดับทีนี้เราก็มองว่าอ น, นี้เป็นความคิดของดิฉันนะคะคิดคนเดียวฟุ้งซ่านไปในรถไฟแถมสาระนิดหน่อยแถมสาระบ้างสุนทรีบ้างเพราะว่ามันเวลายาวนานเราก็คิดอะไรไปได้เรื่อยเปื่อยเดินทางคนเดียวผู้โดยสารข้างๆก็นั่งกด ตลอดเวลาเราก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเราก็นั่งดูหนังสือนั่งคิดไปเรื่อยพอรถไฟมันแกว่งไปแว่งมาเมือนหัวเราก็หยุดแล้วเราก็คิดไปพอเราหายเมือนเราก็อ่านต่อทีนี้ที่ฉันก็มาคิดว่าเพราะท่านให้คนมาเรียนที่นี่เพราะท่านต้องมีมีจุดมุ่งหมายอันที่เราไม่สามารถจะด้นเดาได้อาจจะรู้ได้เฉพาะวันฑิตบัณฑิตวนบอมะฮะ ดิฉันก็คิดไปอีกว่าว่าทจริงคิดไปหลายอย่างนะดิฉันพูดไปเดี๋ยวเพราะท่านว่าฟุงซานเอาเอาเอาว่าความคิดแบบว่าเอาคนตอนแรกคิดเป็นผ ล, ลไม้ดอกไม้บ้างว่าปลูกที่พ่อท่านแจกไปตั้งนานห้าปีสิบปียี่สิบปีมันก็เบ่งบานอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีใครค่อยเข้าไปเป็นเจ้าของ รู้สึกว่าจํานวนมีน้อยเพราะท่านเคยบอกว่าเอาผ ล, ลไม้เอาดอกไม้มาจะปลูกเสกเองให้มันมีค่าออกสู่ตลาดพอคิดเรื่องต้นใบต้นไม้ใบไม้เสร็จก็คิดไปต่อเรื่องคนเพราะว่าพอท่านเรียกคนมาเนี่ยมาเรียนมาจากหลากหลายที่จากหลายพุทธสถานบางคนก็เป็นพันธมิตรมั่งเป็นกอบบบสมั่งหลากหลายสายพันธุ์ ดก ร, ก ร, รก็มีปริญญาโทก็มีปอสี่ก็มีเขียนไม่ได้ก็มีแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะท่านอาจจะคิดลึกซึ้งเราก็คิดว่าสมัยเราเรียนเด็กเก่งก็อยู่ห้องหนึ่งเด็กบวยก็อยู่ห้องหนึ่งไอ้ น, นี่มารวมกันหมดคงเป็นมิติใหม่เราดีแล้วเราไม่เก่งเราไม่บวยเราอยู่กลางๆ ก, ก็พอจะเชิดหน้าชูตา ีนีดิฉันก็คิดไปอกีกเพราะท่านครับบอกว่าส่งแต่ละคนมาเหมือนกับมาประกวดนางงามแต่อย่าอย่าเพิ่งว่านางงามนะฮะอย่าเพิ่งว่าความสวยนะเาประกวดความงามทีนี้แต่ละคนก็ส่งตัวแทนมาดิฉันเ็าก็ส่งมาเพราะนางงามตัวจริงเขาติดภารกิจ <laughs> ก็เลยส่งตัวสำรองมาคิดว่าความขวนขวายของเราก็คงจะสู้เขาได้ ถึงแม้ว่าจะรู้อะไรน้อยกว่าเขาพอบางคนเขาฟังพ่อท่านเขาก็ทะลุทันทีเขาสปาร์กเลยส่วนที่ฉันก็เข้าเข้าใจบ้างกลับไปทบทวนบ้างอ่านจากที่ท่านแสนดินส่งไปก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นน่าจะดีกว่าอยู่ที่ที่ที่เราเคยอยู่ก็คิดว่ามีประโยชน์มากมายทีนี้ว่าในหมู่นางงามที่มาประกวดเนี่ย บางคนอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้แต่แมะแต่ว่าคนที่ส่งประกายอยู่ก็มีอาจจะอยู่ในสายตากรรมการ ด, ดิฉันก็คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นนางงามิรภาพหรือว่าเป็นนางงามมวลมหาประชาชนขวัญใจมวลมหาประชาชนเพราะท่านคะตอนตอนแรกที่ดิฉันมาที่บ้านราชครั้งแรกไปที่อุทยานค่ะตีสามครึ่ง คือเดินทางมาถึงกลางคืนตักไปรับใช่ไหมฮะก็ค้างบ้านเขาตอเช้าก็ไปช่วยที่อุทยานหน่อยหนึ่งรอรถที่จะไปรับก็มีคนคนหนึ่งดิฉันถามว่าใครก็บอกผู้รับใช้กลุ่มชาวอุทยานอย่าไปบอกคนนะคะดิฉันก็บอกจเจริญธรรมค่ะเขาก็จเจริญธรรมแล้วเขาก็ไปง่วนกับงานดิฉันคิดในใจว่าโอ้พี่น้องโผล่มาตีสามครึ่งน่าจะสงสัยถามกันบ้างเนาะว่ามาจากไหนยังไง เพราะดิฉันก็ไม่ใช่คนบ้านราที่ทำให้เขาไม่แปลกใจแต่เขาก็เฉยเฉยเพราะเขาก็หลงอยู่กับงานพอมาถึงที่นี่รายงานตัวดิฉันก็เห็นหน้าคนบางคนก็พอคุ้นเคยจากการที่ไปชุมนุมก็รู้จักกันบ้างแต่ว่าเราก็มาอย่างโดดเดียวคิดว่าสงสัยงานนี้จะเรียนไม่สนุกแล้วมั้งเห็นแต่ละคนหน้าปุ้มปุ้มังนั้นเลย แต่พออยู่ไปอยู่ไปพอได้พูดคุยเขาบอกว่าเขาก็แต่ก่อนเขาก็เฉยเฉยตัวนี้เขารักดิฉันหมดแล้วค่ะหาเสียงเก่ง <c oughs> ก็คิดว่าเ <c oughs> อาเพราะท่านคขาทุกคนอนะ่ะบางคนอาจจะเรียนแล้วทะลุไปเลยบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจบางคนก็นั่งหน้ายุ่งเหมือนที่ท่านท่านท่านปราชาท่านดินไทยว่า ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดิฉันก็อยากจะพูดสาระ ก, กับเขามั่งแต่พอเรียบเรียงรู้สึกว่ากลัวจะไม่เข้าท่าทีนี้ก็ต้องรวบรวมความกล้าเหมือนกันที่จะพูดลืมไปแล้วว่าไงบางคนบางคนก็บอกว่าเครียดบ้างบางคนก็บอกดีๆีดีเข้าใจขอฟังดิฉันเสียงดิฉันก็จะได้พอชื่นใจตกลงตอนนี้ดิฉันรักบ้านรานแล้วนะคะขอบคุณค่ะ โอ้โหไรกัดนีนี่ฉันอยากจะขอโอกาสเวลาที <living in tam> ่เหลืออยากให้ท่านสมเด็จพระสิทธมารได้แสดงความรู้สึกกับการที่วอบวอเข้ามาและทําให้รู้สึกเป็นดีเป็นร้าอย่างไรนะคะเราก็ถ่าือว่าทําพูดในฐานะตัวแทนของมวลมหาประชาชาวบ้านลาดด้วยค่ะดีดีได้เป็นสุดท้ายต่ำคุณสุดท้ายเลยนะคะก็ ขอคนสุดท้ายเลยนะคะสักสานาทีอเคค่ะคนสุดท้ายค่ะอคนคนละสนาทีนะคะแล้วก็ที่เหลือขอให้เป็นสมณะสิทธิมาศค่ะโอ้ยังมีอีกเหรอโอ้โหชักมันเขี่ยวกันได้กะหมดแล้วนะคะเนี่ยไม่ค่ะเมื่อกี้เห็นเห็นมีพาดพิงถึงนักเรียนสมณพิค่ะค่ะก็กล่าวมัศการพ่อท่านสมณะโพธิรักกล่ามัสการสมนะและศิทธิมาศทุกลูกค่ะก็ขอเจริญธรรมผู้ใหญ่ดิษฐ์วรวรบอแล้วก็ผู้ใหญ่ชาวชุมชนทุกท่านค่ะ ค่ะก็เห็นเหมือนกับเมื่อกี้นะคะได้ยินมาว่าเด็กๆที่จบไปอาจจะรู้สึกไม่เชื่อมั่นกับการศึกษาของชาวโสมอย่างคะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะค ะ, ะในพันคนมีสักหนึ่งไม่ใช่หนึ่ง <c oughs> ในร้อยนะก็จริงๆแล้วเป็นกระตายนะคะสิทธิ์เก่าสมมาศิขาสันติอโศกรุ่นที่เจ็ดค่ะ จบมาแล้วสิปีค่ะก็ตลอดที่ออไป1ิปีอะค่ะก็รู้สึกว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในในหมู่กลุ่มแต่ว่าเราก็ยังวนเวียนมาบ้างเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่พอหลังจากที่ลาออกจากงานเราก็มาอยู่ที่บ้านลาลหค่ะตั้งแต่วันเกิดหลวงปู่จนกระทั่งวันที่หนึ่งสิงหาเนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่จะอยู่ที่นี่ ก็ก็รู้สึกว่าขอบคุณชาวชุมชนทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่เงี้ยค่ะ <c oughs> คือเราจบไปแล้ว10ปีแล้วเราก็ไม่ได้จบจากบ้านลาด่าเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าประทับใจที่พ่อท่านบอกว่า1เดียวเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเออถึงแม้เราไม่ได้จบจากที่นี่แต่ว่าเรามาช่วยสอนน้องๆบ้านลาดางเงี้ยก็น้องๆให้การต้อนรับดีมากเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนซึ่งหนูรู้สึกว่าตรงข้ามกับรุ่นหนูมากเมื่อก่อน ครูสอนก็พากันหลับอย่างนี้ค่ะก็ถึงแม้จะหลับแต่ก็อยากให้ชาวชุมชนหรือว่าสมานาภพเพราะท่านประทับใจที่ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราได้เรียนน้อยหรือว่าเป็นการเรียนที่ไม่ได้เน้นการศึกษาในตำราแต่ว่าพอเราออกไปอยู่ข้างนอกอนี้ค่ะเราก็สามารถยกตัวอย่างเช่นหนุ่ยะคะเราก็สามารถที่จะสอบติดเป็นออกทุนนักเรียนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อที่จะ ไปเรียนในระดับปริญญาเอกได้เนะะี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงการศึกษาของเราก็สําหรับหนูก็คือที่หนึ่งที่สุดแล้วะคะ่ะแค่นั้นค่ะที่จริงเรื่องของออกจากที่นี่ไปแล้วเด็กจบจากที่นี่ไปแล้วนี่นะโรงเรียนเราสมัสิกขานี่ตั้งมา20ปีเนี่ยอาตมาก็สดับตรับฟัง เด็กของเรามีไม่มากเท่าไหร่มันก็รู้ๆกันอยู่นะได้ข่าวได้คลาวกันอยู่ทางนั้นแม้จะไปไม่ไม่เข้ามาก็ตามแล้วก็พอรู้ข่าวรู้ข่าวเขาเข้ากันอยู่ก็ยังไม่มีกระแสเด็กของพวกเรานี่ไปทำเสียหายมีแต่มโหมันก้าวหน้าไปทางโลกนะมันรวยกันบางคนมันรวยกันเป็น10ล้าน20บล้าน50สิล้านจะซื้อที่ดินตัดหน้าสันติอโศก รวยขนาดนั้นนะซื้อมา้าหมาตัวละลานมาเล่นนะระดับนั้นเลยนะเด็กเราและเด็กต่างๆพวกนี้ก็พอออกไปแล้วมันก็ไม่เห็นว่ามันจะไอ้นั่นอะไรมันก็บางคนนะนะก็หลายคนไม่ใช่บางคนหรอกหลายคนเลยก็ไปทำงานที่บ้านเพราะมันเข้าใจแล้วเราปลูกฝังไปแล้วก็เข้าใจทำงานที่บ้านแล้วเขาก็ไปเรียน รา ม, มั่งเรียนมศทมั่งอะไรงเงื่ยเปนต้นก็จบออกมากันก็มีปริญญาติดติดกันมาทั้งนั้นนะเสร็จแล้วก็มาทมาหากินไปเรื่อยๆตามเรื่องตามราวของพวกเร า, อ, าอะไรต่างๆตั้งแต่ตที่เห็นๆนเี่นะแต่ละพูดแต่ละคนอย่างกระแตนี่ก็นี่ก็อีกเดือนไหนเราจะออกไปทำไปจบปริญญาโทแล้วจะไปต่ อ, อี่ญี่ปุ่นต่อในทุนนึงจบปริญญาเอก เมื่ อ, อไหร่จะไปอะอะเดือนอะไรนะกันยาอ่ออีกเดือนหนึ่งอ่าเดือนหนึ่งก็เด็กไปลนะนะก็อย่างนี้เด็กๆถึงเวลาไอ้อาตมาว่าอต า, าอตมาแน่ใจนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นที่เราปลูกฝังหรือว่าเราให้ไปที่อาตมาใช้คําว่าติดชิปไปเนี่ยติดชิปในเด็กไปเนี่ย มันเป็นคุณธรรมคุณค่าทั้งสามมันสำนึกเนี่ยเด็กมันจะเลวยังไงจะช่วยไงก็รู้ทั้งนั้นว่ามันเป็นของดีปฏิเสธไม่ได้หรอกจริงอาตมามั่นใจจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เขาเถอะอยู่กันมาเฮาปีนี่จบไปเนี่ยเขาได้ทั้งนั้นน่ยมากหรือน้อยแล้วแต่อาตมามั่นใจนะมันเป็นเรื่องสัจจะเทศตมามั่นใจเป็นเรื่องสัจจะมันไม่ใช่เรื่อง ตักกะที่มันเหตุผลเหตุไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงเลยมันไม่เรื่องตักกะไอ้ที่อาตมายืนยันนะว่าถึงอย่างไรอย่างไรเนี่ยแม้เด็กก็จะแก็จะกิเลสมากก็จะไม่ค่อยดีไปจะเลวจะยังไงก็แล้วแกจะแกตุขณะในก็ตามแต่เขารู้ว่าที่เราให้ไปส่วนใหญ่ที่เขาพอรู้พอจําได้เนี่ยแต่เขาทําไม่ได้ก็ตามมันของดีเชื่อไหม ใช่ไหมอ่มันของดีเขารู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้เาเผื่อว่าเขาไม่มีเหตุมีปัจจัยที่เขาเองเามันได้รับทุกข์อะได้รับทุกข์มากมากมากข้าวันหนึ่งมันก็อิ่มไม่ใช่อิ่มหรอกมันมันจะอ้วกแตกตายเขาก็จะถอดถอนเองถอดถอนเองนะแตมาว่ามันมีอยู่ในสันค่าสร้างค น, นอันหนึง่ง อันนี้เป็นเด็กที่เขาติดชิปไปแล้วนี่มันไม่เท่าไรหรอกมันจะเป็นอย่างนี้อแต่ว่าแม้ผู้ที่ไม่ไม่ได้มาผ่านที่นี่ก็ตามหน้ายี่นะิบเอ็ดนิะเขาจะต้องมาเอาระบบนี้ในอนาคตคนแม่มาเอาแล้วไปเถอะสัตว์นรกเขาก็ต้องไม่มาแน่นอนแต่คนสแสวงหานี่จะมาเอาในในอนาคตจะมาอย่างหน้ายีิบเอ็ดเนี่ย คนทุกข์มากขึ้นสาหัสนะคนทุกข์มากขึ้นสาหัสเอาเปรียบกันมากขึ้นไม่อบอุนะอย่างนี้เป็นต้นข้อหนึ่งสองทรัพยากรของโลกมันร่ายรอลงไปเรื่อยนะครับแก้ไปเรืนะ่อยๆไม่ก็จะพอกันสมไม่มีทางอื่นให้เลือกที่ดีกว่านี้ไม่มีทางอื่นให้จะเลือกให้ดีเท่านี้ละสมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างของสังคมบุญนิยม ที่ไปรอดได้แล้วจริงๆเนี่ยให้ดูให้เห็นเป็นการยืนยันด้วย5ระบบบุญนิยมเป็นระบบที่ยั่งยืนจริงพิสูจน์ได้โดยการละจนคนต้องเชื่อในที่สุดและนี่เป็นตน้นคนจะต้องมาเอาระบบบุญนิยมเพราะฉะนั้นคนที่ติดชิปไปแล้วนี่ไม่ต้องไปห่วงอาตมาก็ดูๆไปเถอะสักวันหนึ่งแต่มันยังไม่อ็นทาลายละมันใหม่ๆด้วย มันเริ่มตน้นรุ่นรุ่นถือว่ารุ่นใหม่เบิกทางเบิกเลิกเพราะฉะนั้นมันก็จะยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บวบบวบไม่มาจนกว่าต่อไปในอนาคตจะค่อยๆเป็นไปค่อยๆไปค่อยๆไปอาตมาไม่อยากพยากรณ์แล้วนะว่าในอนาคตเด็กจบที่นี่แล้วมันไม่อยากไปไหนหรอกเพราะการศึกษาต่อไปนี้ระดับอุดมศึกษาก็ตามมันจะขึ้นรองรับ นะสองมูมวลมันจะชัดเจนสามวัฒนธรรมแล้วก็สีแม้แต่กระแสข้างนอกมันก็จะช่วยห้อมล้อมหมดเลยทุกอย่างเลยมันจะเป็นไปตามสัจธรรมเองเ อ, อ้าวอาตมาจะพูดคนเดียวอีกด้วยอีกสิบสบห้านาทีก็สองทุ่มลอา้าวสิกรรมารธธรรมณะกราบขออกาศนะฮะเอาเลยเจริญธรรมทุกท่านนะคะ ต่อจากกระแตนิดนะกระแตนี่เ้าได้ทุนจาก อ, าอะไรนะฟ้าหญิงตอนปริยาโทแล้วได้ทุนปริยาเอกนี่จากญี่ปุ่นนะฮะปีก็ต้องจากเมืองไทยไป3ปีก็ฝากมังสวิรัตให้มั่นคงแล้วก็เป็นโสดกลับมานะฮะบรรลารอรับอยู่นะฮะชาวโสมที่รอรับอยู่อันนี้พูดถึงนักศึกษากับชาวชุมชนหรือว่าคนที่อยู่เก่าเหมือนทฉันก็อาจจะเป็นคนที่อยู่เก่ามามี มีความสัมพันธ์กันไหมมีความเชื่อมโยงกันไหมอันนี้ก็ขอพูดประเด็นนี้นะคะว่าตื่นจากตัวเองก็แล้วกันตัวเองก็ยังไม่มีความเกิดความขัดแย้งนะคะหรือว่าเกิดความลำบากใจในในการมีจุดของนักศึกษาขึ้นมานะะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้แต่ว่าอาจจะมีคนมาบอกหลายครั้งว่าศิยมาน่าจะเคียงบากเคียงไทรกับกลุ่มนักศึกษานี้ คือร่วมประชุมร่วมติดตามสถานการณ์นี้แบบเคียงบา่าเคียงไหลฉันใจจริงๆก็ปรารถนาอยู่นะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยฉันก็มองในมุมของดิฉันนะจะผิดหรือถูกก็ตามฉันก็คิดว่าบางทีค า, า, ารวะเนี่ยทํากันเองบ้างโดยไม่มีนักบวชเป็นประธานแต่บางครั้งมันก็ถึงลูกถึงคนดีเหมือนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวก็โยนมานักบวชมันก็จะรู้สึกว่าฉันก็รู้สึกว่าตัวเองก็อยากจะเป็นที่ปรึกษาทางธรรมะแล้วก็เป็น ที่ปรึกษาปัญหานะบางอย่างก็เข้าสนามก็บางอย่างก็ไม่เข้าด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยก็มีปัญหาของดิฉันเหมือนกันนะตอนนี้ต้องพูดให้ฟังทําไมถึงต้องพูดให้ฟังตรงนี้เพราะว่าบางรายการเนี่ยไม่ได้เข้าเลยแต่ติดตามนะดิฉันก็มีสื่อที่จะติดตามบวกกับรับฟังข้อมูลของคนที่พิหาตอนเนี้ปัญหาของบลลาดคือน้ํามันท่วมดิฉันต้องอยู่ที่โรงปุ๋ยเพราะว่าส่งนิสิตออกมาหมดเลยก็เหลือแต่นักเรียนคนงานนะฮะดิฉันส่งปุ๋ยวันละ ห้ารถพ่วงเป็นอย่างมากบางวัน56บางวัน4ช่วงนี้น้ำท่วมยุงยุ่งช่วงพอครูไม่อยู่เนี่ยเราจะบอกว่าจะส่งกันทั้งวันทั้งคืนแล้ก็ส่งกันวันสี่ห4าหวันนี้ส่ง3พรุ่งนี้จะเป็น4ี่หรือ5้าเนี่ยก็คิดว่าเราต้องมีไรายได้มีเงินทองมาบ้างแล้วก็แต่ว่าโดยใจจริงๆเนี่ยที่ก็เห็นด้วยเออสวอนแล้วก็แต่ละคนเวลาไปฮิ้วปุ๋ยไปเข็นปุ๋ยด้วยกันแบ่งเวลาไปเนี่ยก็จะบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เล่าให้ฟังนี่ก็รู้สึกว่า ว่าเป็นการพัฒนาฉันรู้สึกว่ากลุ่มของวอนบอร์เนี่ยทำไมถึงไม่เกิดแล้วไม่มีปัญหามากฉันก็มองว่าเพราะพวกเราเรียนปรมัดนะคะตั้งใจฟังปรมัดจากพ่อครูเนี่ยเวลามันมีเรื่องมีราวอะไรมันถือว่าเป็นโจทย์เป็นภาษะไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาหรือว่าไม่ได้เป็นลบลาคนอื่นว่าคนนั้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกแต่กลับมาว่าเออแล้วเราจะช่วยแก้อะไรได้เราเห็นปัญหาในฐานงานเราก็เข้าไปแก้ เราเข้าไปช่วยกันแก้เมื่อไปเจอปัญหาเขาน้อยใจเขาทุกข์ใจเราก็ อ, อมชอมไม่รุนแรงไม่ไม่ไม่ชี้อะไรอะ่ะไม่ตัดขาดกันน่ะที่ฉันก็รู้สึกพอใจตรงนี้นะที่พวกเราไม่ตัดรอนเพราะว่าคนบางคนมันตกพบยันก็เคยคิดว่าตัวเองในยอยู่กับชาวาโสมก็ทําเรื่องไร้ายๆมาเยอะปากก็ไม่ดีกิริยาบางครั้งก็รุนแรงเวลาคนอื่นเขาเป็นมั่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเออ เหมือนคนเป็นไข้ไมันก็ต้องไอมันก็ต้องตัวร้อนมันก็ต้องเหนื่อยเราก็เคยเป็นบางครั้งก็กฟัดก็เฟียดอะไรเงี้ยถ้าเรามาจับผิดกันอยู่ตรงนี้จิตเราก็ไม่เดินนะฮะในเรื่องปรมัตงานก็ไม่เดินฉะนั้นวนบ อ, นบอเนี่ยมีปัญหาน้อยเพราะว่าเราเอาใจใส่มากับวิชาโลกุตละแท้ตั้ง 70% ฉะนั้นปัญหาเรื่องทางโลกวิชาธรรมหากินเนี่ยฉะนันว่าวิชาทุกวิชามันคือวิชาธรรมหากินของมนุษย์ แล้วทำไมเราจะเลือกอาชีพที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ที่ให้เขาเราก็เลือกอาชีพที่มีประโยชน์เท่านั้นเน่ยฉะนั้นกลุ่มที่บอกว่าจะไปแก้ปัญหาที่โรงสีเอามาเป็นเหมือนงานชิ้นสําคัญนี่ยที่ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าต่อไปเรามีระดับข้าวแสนตันฉนั้นเราก็มีการออมชอมกันมีการปณีประนอมกันเข้าใจเข้าใจสายเจโตบ้างคนที่เป็นสายปัญญานะคะเพราะว่าสายเจโตเนี่ยเขาช้ามันเหมือนเรือเรือใหญ่ๆห่ะ เขาหันกันหมดทุกลำแล้วยังไม่หันเลยเราก็ต้องค่อยๆต้อนเขาให้เวลาเขาให้เขาบนให้เขาน้อยใจใเขาร้องไห้เราต้องให้เวลาสายเจโตด้วยสายปัญญานะี่ยเพราะว่าเราได้ปัญญามาก็บุญแล้วนะคะเราฉลาดแล้วก็บุญแล้วแต่เรายังใจร้อนอีกมันก็มันก็ไม่ได้ช่วยอีกสายแต่แต่แตถ้ า, วาเวลาพูดกันจริงๆเนี่ยใจดิฉันเนี่ยนะดิฉันก็ออกเชิงสายปัญญาเหมือนกันนะคะไม่รู้ไม่ ร, มรู้เข้าใจผิดหรือเปล่าออกเชิงนั้น แต่ดิฉันเนี่ยรักสายเจโตมากเลยทําไมไหมฮะฉันจึงชอบไปทํางานหนักเพราะที่ฉันรู้สึกว่าสายเจโตเนี่ยคือตัวให้เรากินให้เราอยู่เลี้ยงเราบ้านลาเนี่ยมีอะไรเป็นเป็นเสาเป็นหลักเป็นที่ดินเป็นฟักเป็นแตงโมเป็นฟักทองเนี่ยก็พวกพวกสายเจโตเนี่ยฉะ น, นั้นยิ่งละรักและเคารพคนเหล่านี้มากเลยนะ <c oughs> เขาเลี้ยงเราอะเขาเลี้ยงเราบางวันเขาตากแดดทั้งวันอะดิฉันก็ยังไม่ได้ไปตากแดดเลยอะ ฉนั้นความรักที่มีต่ออีกสายหนึ่งเนี่ยมันทําให้เรามีการอมชอมนะคะแล้วก็รอกันรอรอรอรอว่าจะเขาจะเข้าใจอะ่ะรอวันที่เขาเข้าใจอ่ะฉะนั้นบางอย่างรู้ในใจนะว่าอยากจะพูดอย่างเงี้ยแต่มันไม่พูดอะ่ะถ้าพูดแล้วมันจะทําให้เขาเจ็บใจอยากให้เขาชัดแต่กลับทําให้เขาเจ็บใจอ่ะที่รู้สึกว่าเออฉันก็ดีใจนะที่เด่นเข้าใจตัวนี้ถ้าเด่นไม่เข้าใจตรงนี้เชนคงประหารพี่ประหารน้องไปเยอะแล้วละ เพราะว่าแทนที่จะพูดให้เขาเข้าใจแต่มันไม่ใช่เวลาที่เขาจะเข้าใจมันเป็นเวลาที่เขากําลังเจ็บใจเราก็เลยพูดเรื่องอื่นไปนะเอาเรื่องอื่นแล้วเรื่องศาสนาเอาเรื่อง อ, องุดมการณ์พ่อท่านเว้าวไปเรื่อยนะให้เขาสบายใจพ่อก็าหาันมานะ่ะจริงๆสายปรรยาัญญาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เป็นหลักหรอกนะตัวฉันเองจริงก็ไม่ค่อยเป็นหลักตัวฉันก็รู้สึกว่าเวลาบ่ายไหนมีปัญหาก็เข้าไปแก้ตรงนั้น เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นแต่สายเจโตอ่ะเวลาเขามารับแล้วอ่ะเขาไม่ผันผวนเลยนะเขาทําจริงจังนะเขาเป็นเจ้าของฐานนะเรารู้สึกว่าเราก็เคารพเขารอเขาได้ส่วนสายปัญญาเนี่ยสายเจโตต้องเข้าใจนะสายปัญญาทําไมพูดมากเรื่องมากก้าวไปไกลฟุ้งหรือเปล่านะฮะฉันก็เป็นประเภทนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้พยายามระงับอยู่บ้างก็ระงับได้เยอะละเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าสายปัญญาตัวรู้มันเยอะอ่ะ เมื่อตัวรู้มันเยอะเนี่ยมันก็อยากให้พี่น้องรู้อ่ะมันก็พูดไวบางทีตัวเองก็ยังไม่ค่อยเป็นน่ยบางเรื่องนะแต่มันพูดไวเขาก็จะบอกว่าตัวเองทําได้หรือเปล่าอที่พูดอ่ะนะก็จะมีสายนี้ก็จะเจ็บใจกันไปเจ็บใจกันมาซึ่งมันก็ต้องมามาลดที่ใจอันนี้ก็พูดเหมือนตอนนะขออภัยแต่ว่าที่อยากจะพูดให้ทีมของปบปกระชาวาราดเข้าใจกันก็คือว่าที่คุณดาวตะวันถามอ่ะถามพ่อครูอ่ะทินก็ คิดว่าถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันโดยโดยหัวใจนะหัวใจเราเนี่ยพยายามที่เหมือนคุณดาวเย็นว่าน่ยฉันเห็นหลายคนแล้วที่ต้องพัดพากจากหมู่หรือว่าเจ็บใจตลอดเวลาที่อยู่กับหมู่เนี่ยเพราะว่าเพ่งโทษเพ่งโทษความไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรที่มันเกิดใหม่มันไม่สมบูรณ์เหมือนบนล่าเนี่ยคุณคนที่พูดตลกตลกเนี่ยชอบฟังคอนะคุณสุพรใช่คู่ตลกนีนะ เขาบอกเขาลักบาราดมาใหม่ๆย่างกี่คนมาใหม่บาราดใหม่ๆเพ่งโทษทุกคนเลยเพ่งโทษทั้งคนเพ่งโทษทั้งของเพ่งโทษทั้งน้ําท่วมบางคนเพ่งโทษพ่อ ท, ท่านไลย น, นะบอกว่าโกยเงินมาถมให้ในบาราดเนี่ยน้ําก็ท่วมทุกปีทุกปีเงินทั้งเยอะไปซื้อที่ทสูงๆมันก็จบปัญหาไปแล้วมาซื้อทําไมให้ยกของกันทั้งปีเลยทําอะไรถ้าจะพูดอย่างงี้นะไมียากอาตมามาต้องใช้เงินมากเลยไปซื้อภูเขา ที่ภูเขา ท, ทุกทุงป่าที่ภูเขาท้ดเป็นทีท่สูงๆก็บปลูกกนแล้วแนี่ตพุ่นเนี่ยตะมาง่ายกว่านี้อีกซ้าไปก็พอ <c oughs> ถ้าพวกเราอยู่ผ่านน้ำท่วมปีนี้ไปได้พวกเราจะรู้เลยนะฮะว่าโอ้คนญี่ปุ่นทำไมแววไวของน้อยบ้านช่องรู้จักปลูกเดินชับ ๆ, ๆับหัวสมองมีระบบมีระเบียบคนเกาหลีทำไมเขาเป็นคนที่ไวแล้วก็ช่างคิดนะ หรือว่าคนไอเวียดนามทําไมเขาบอกคนเวียดนามเนี่ยงกที่สุดเลยขยันที่สุดพวกนั้นทุกคนอยู่ในทำเลที่มีปัญหาหมดอยู่ในภูมิประเทศที่เกิดภัยพิบัติแทบทั้งนั้นฉะนั้นฟาร์มแวลวายการเอาตัวรอดการรักษาเข้าของการรักษาหมู่กลุ่มการไม่ยึดติดอะไรเนี่ยนิ่งเราได้ปรามัดเนี่ยเราจะเหนือจากคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนยวน เพราะอะไรเพราะเรามีตัวปล่อยวางที่แท้จริงของเขานี่ปล่อยวางชั่วคราวแล้วเขาก็ยึดใหม่เขาก็โกยเขาเห็นกับประเทศเขานะประเทศเหล่านั้ น, นเห็นกับคนของเขาเห็นกับประเทศเขาแต่เราเนี่ยเห็นกับกลุ่มชาวโศกเราก็เห็นแต่ว่าเราก็รักมวลมนุษย์ด้วยเหมือนที่บอกก็ย้ายคนอื่นเข้าใจอะ่ะจนก็เลยคิดว่าชาวชุมชนเนี่ยก็เท่าที่ฟังกระแสเสียงนะก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นสายรับกระแสเสียงอยู่เยอะไม่มีแรงต้านนะฮะ ไม่มีตอนอาจจะมีช่วงใหม่ๆซึ่งมีช่วงใหม่ๆมันจะไม่มีคนไปทําครัวมันจะไม่มีคนลงฐานงานอะไรนะั้นเล็กๆน้อยๆอยซึ่งเราก็คุยกันเข้าใจว่าเออช่วงใหม่ๆเปิดห้องเรียนใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะแก้ปัญหาให้เราชิงชาวชุมชนก็จะจะเข้าใจเร็วนะฮะรู้สึกว่าจะมีตัวส่งเสริมด้วยซ้ำไปคือคิดว่าถ้าเราตั้งใจเรียนปรมามัตดกันตอนเย็นของพ่อครูเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่จิตจิญญาณ พร้อมทั้งมองนะคะกิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนพรมจรรันทร์ในในหมู่กลุ่มของเราเนี่ยคือถ้าพูดไปตอนนี้ก็ขอขอพูดนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวหลังประชุมนี้ก็ขอแกนนําหรือว่าขอผู้ที่ติดตามประเมินผลเมื่อวานที่คนเข้าคนของขออมน้วานน้ําขึ้นอยู่เรื่อยๆมีอะไรต้องพูดอีกแล้วสองก็คือตอนนี้ที่ลงปุ๋ยนะคะก็ส่งปุ๋ยจํานวนมากเลยคือหลายปีแล้วเนี่ยเราทิ้งปุ๋ยไว้ในลงปุ๋ยเนี่ย ถ้าน้ำท่วมเนี่ยไอ้3กระสอบร่างเนี่ยเปียกหมดนะก็เอามาใช้กันก็ต้องแกะกระสอบนะฮะแล้วก็เอามาใช้กันซึ่งปีนี้เราจะขนออกให้หมดเลยนะขนออกไปเรื่อยๆเรื ๆ, ๆ, ๆแล้วถ้าถึาถงวันแม่เราก็จะทำออกมาตอนนี้ก็มีหลายศูนย์ที่เปิดรับนะยังหินผาฟ้าน้ำเนี่ยวันที่6กนี้ก็ต้องส่งสี่รถพ่วงนะฮะหรือว่าบุรีรัมบ้านท่านข้าฟ้าเนี่ยก็ต้องส่งสี่รถพ่วงแต่ละที่แต่ละที่ ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงดวงดีไม่ดวงดีก็คือว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเราจะเอาปุ๋ยแล้วเราไปส่งตอนนี้เราส่งให้พี่น้องพี่น้องที่ขอนแก่นพี่น้องบุรีรัมพ์พี่น้องสุรินพี่น้องวัดป่าติวพี่น้องอำนาจพี่น้องที่ราศีสไลด์อย่างเงี้ย <c oughs> เขาเป็นคนตัวแทนจำหน่ายให้เราเลย <c oughs> เราเอารถพ่วงคนขึ้นคนขึ้นคนขึ้น <c oughs> เขาก็เป็นคนขายทาคนละหน้าที่มีรายเหลือก็เข้าพัฒนากลุ่มนั้น ชาวบ้านจังหวัดนั้นๆเขาก็ได้รู้จักปุ๋ยเคมีนั้นตอนนี้ก็ต้องรักษามันฮะรักษาคุณภาพอย่างอย่างสุดฤทธิ์เลยตอนนี้เจนพูดถึงปุ๋ยอะไรนะอ เ, เออทําไมพูดเป็นนู้นล่ะ <c oughs> ปุ๋ยงอกงามต้องรักษาคุณภาพเต็มที่เลยนะ <c oughs> คือมีเบื้องหลังว่าตอนเนี้ทหารเนี่ย <c oughs> เขาเอาปุ๋ยมาขายสองกระสอบสี่รอนี่นี่ข่าวจากราสีสไลด์นะของเราก็ชะงักอีกไม่นานเขาก็เพิ่มเป็นสองกระสอบ็ร้อย มียัดเชือแหลน่ะปะปปสนี่แหละกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปขอทหารเนี่ยถ่ายรูปทหารคนนั้นใส่แว่นดําแล้วก็ใส่หมวกก็ไปขอถ่ายรูปทหารไม่ยอมให้ถ่ายรูปเป็นยศในพันไม่ยอมให้ถ่ายรูปแล้วปุ๋ยในนั้นมีปุ๋ยยี่ห้อดอกลําดวนด้วยนะนี่พูดเลยออกไปนะคะให้รู้ข่าวๆ ข, ข, ข้างนอกมีกระตากระสอบดอกลําดวนของสีตะโศกด้วยตอนนี้เราก็ขอทหารถ่ายรูปทหารไม่ยอมให้ถ่ายรูปก็เลยถามไปที่ นายทหารสู่นะเขาบอกทหารยังไม่ไม่เคยมีนโยบายขายปุ๋ยให้กับชาวบ้านเลยนี่คือการหลอกซ้อนหลอกนะฮะโลกเนี่ยอะไรจะเจริญมันก็จะหลอกอะไรจะเจริญมันก็จะหลอกมันจะมาเกาะกินอนะมันในทุนที่คุณหนึ่งฟ้าว่านั่นแหละฉะนั้นก็คิดว่าถ้าพวกเราเรู้จักกิจน้อยกิจใหญ่ของบัลลาดชาวบัลลาดถูกนักศึกษาแบ่งเบาชาวบัาลาดก็มีความภูมิใจอุ่นใจเห็นกิจการก้าวหน้าส่วนชาวบัลลาดเองก็ เข้าใจนักศึกษาด้วยคนที่เรียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนที่ทํางาน 100% ซมันจะต้องแบ่งเบากําลังบางทีมันเรียนจนเมื่อยแขนเมื่อยขาเลยเนี่ยทําไมแรงไม่ดีพวกนี้กินข้าวตั้งเยอะก็คือบางทีมันเรียนมันก็เครียดเหมือนกันเนาะเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันพอเราเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยแบ่งเบาอันไหนที่มันหนักเราก็เข้าไปช้อนนะวันนี้คนนี้เขาเป็นอย่างนี้เราก็ไปช้อนตรงนั้นช้อนตรงนี้เราฟังเสียงประกาศรู้อะไรอะไรอะไรเนี่ยดิฉันคิดว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันเกิดจากการเคียงบ่าเคียงไหล่เคียงบ่าเคียงไหล่ก็คือเสียสละด้วยกันคือมือดีสหายดีนะแล้วก็ใจที่ฟังธรรมปรมัดพร้อมๆกันเนี่ยมันก็คือมิตรดีสหายดีด้านปรมตัตเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความย้อนแย้งค่ะขอภัยที่ใช้เวลายาวนะฮะธรรมการค่ะอ้ะาวท่านเก่งกลาวเร็วโอ้เร็วเร็วเรวเร่งสองาอครบคับครบถ้วนหนสามเนี่ยแหละไเรืครับ อาจจะเรีธนทำที่ข้ามาหรือพวกเราทุกๆคนนะก็ดีใจนะที่พวกเราได้มาเรียนที่นี่นะแต่มาไม่ใช่ว่าไม่ดีใจนะที่ได้มานะถือว่าได้มาช่วยบรรลัสรนะจะให้ครบพันเนี่เพราะท่านต้องหาวิธีนะให้เราได้มาศึกษาได้มา เ, าเรียนเนี่ยก็ดีนะพวกเรามาเรียนเนอตอาตมาก็ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์จากการฟังทำพวว่อครูเพราะว่าพ่อครูพพ่อครูนี่ได้อธิบายนะได้ละเอียดกว่า ปกตินะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะอธิบายช้าๆแล้วก็ให้เข้าใจนะสําหรับเพราะว่ามีคนใหม่ด้วยอัตมาก็ได้ได้เข้าใจไง่ายขึ้นนะก็ได้ประโยชน์จากมุมนี้นะก็ดีใจที่พวกเราได้มาช่วยนะมันได้มาอยู่ด้วยกันนะรุ่นแรกๆอาจจะลําบากหน่อยนะโยมนะรุ่นหัวเจาะหัวเจาะโยมสมพงษ์คงจันนะลาบากหน่อยนะเพราะว่าเรือก็ยังไม่เรียบร้อยนะอต้องหาซาเรน มีซาเลนเราก็ดึงลงลมีซาเลนดำอีกนไปหาอามากันฝนกันอะไรเพ่งตนเองนะบางทีสมณะไม่มีเวลาเก็บรายละเอียดช่วยนะก็พยายามเพ่งตนเองนะหลายจุดนะก็มีข้อบอกพร่องบ้างก็ขออาภัยนั่นทีบ้านลามันยังไม่ลงตัวก็มาช่วยกันนะอย่างพ่อกลูว่าต้องมาช่วยกันสร้างมาเรียนด้วยสร้างไปด้วยศึกษารธรรมะไปด้วยเปลี่ยนปริญญาต้อลงภาคปฏิบัติคงจะได้พร้อมนะคงจะได้เจริญในธรรมทุกคนเจริญธรรม หมดเวลาแล้วครับเอาเลยขอการพกัก <laughs> นี่จะเป็นนอนฝัน <laughs> อา จ, จเริ์ทำนิสิตทุกคนวันนี้ตอนบ่ายไปที่โรงปุย๋ยคือก็ไปเห็นสมุนพระรามปหนึ่งปอสองปอสามไปเคลนปุย๋ยอคนงาน<ป>ของโรงงานเราเนี่ยครับ เ, เดี๋ยวกรมแรงงานเขามาเห็นเขาเขาบอกพวกนี้นี่ใช้งานเด็กเนี่ยจับเขื <laughs> ไปก็ก็ปกติเขาเขาไมได้ไปวันนี้ครูก็าพาไปตอนเข็นปุ๋ยก็ใส่หนึ่งกระสอบ <laughs> เวลาเขาจะยกเอารถเข็นลงเนี่ยเขาต้องปีนไปข้างบนปีนแล้วให้มันกระโดกขึ้นมันก็ไม่กระดกนะ <laughs> เพราะว่าตัวันเบากว่าปุ๋ยนะ อัตมาคิดทำยังไงว่าจะกระดกได้ก็เลยคิดเอาปุ๋ยใส่ไอ้กระสอบแล้ว้ก็นอนวางไว้อย่างี้รถเข็นวางไว้แล้วเขายกสบายบอกแบบนี้เขาชอบมากเลยยกปุ๊บไปเลยเนี่ยให้เขา ก, ก็ากระดกเองปีนขึ้นไปก็ไมากระดกคือมันกดเข็นอยู่เชยมากเลยตัวเขาเบาะอะไรนีแต่เป็นภาพที่น่าเอ็นดูอ่ะนะแล้วก็ต้องจัดเลี้ยงคิวกันโอ้หน้าดูแล ชนกันก็ร้องให้กันแล้วก็ทำไมชนกันถึงร้องให้แง่แร้องมาเลยนะเฮ้ยถ้าไปเธอมาชนชั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้เป็นบรรยากาศที่ก็น่าดูไปอีกอย่างแต่มาเห็นนะตอนนั้นเด็กๆก็ยังไม่เข้าฐานไงมีก็มีพวกหัวนบอสองคนหรือเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มีผู้ใหญ่สองคนแค่นั้นแหละนะเขาก็ไปช่วยนะไปก็ดูบรรยากาศที่นายดูซึ่งแต่ว่านี่คือเป็นการศึกษาที่ช่วยชุมชน ช่วยสังคมอย่ากาไ ว, ว า, าวนบอลหวัวตมาเห็นหน้าก็เป็นจติธรรมทั้ททงนั้นแหละใช่ไหมเก่ากึกนะทั้งนั้นแหละนะล้วนแต่เรียนปรมาธรรมกันมาเชี่ยวชาญไปการชุมนุมเสียสละกันมายาวนานใช่ไหมอ่อไม่โจมตัวใครตัวมานั้นน่นะนะแต่ตะมาว่าคนเหล่านี้รู้ดีแล้วว่าอาโศก ค, คืออะไรเสียสละคืออะไรการพัฒนาคืออะไรเพียงแต่ตะมาว่ามาต่อปรมาธรรมให้เกิด เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจธรรมะที่พระครูที่บายให้ส่วนลึกให้มากขึ้นลดด่กิเลสอัตตาตัวตนที่เหลืออยู่ให้ได้เท่านั้นแหละให้พ้นศีรับตาปามาสให้ได้อัตมารู้สึกกันนะให้ถึงจุดเป็นอริยชนที่แท้จริงเกิดมรรคผลที่แท้จริงถึงตอนนั้นอัตมาว่าประเด็นตรงนี้ท่านตมารู้สึกนะแล้วก็มาปฏิบัติมาอง8ร่วมกันเนี่ยมันก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นซึ่งอัตมาว่าก็ยินดีด้วยนะที่ที่พวกเราได้มาทําที่นี่นะ อย่างน้อยก็ได้ผลประโยชน์หลายอย่างอย่างน้อยพ่อครูก็มาตั้งใจสอนอย่างมีรายละเอียดมากมายอย่างท่านแกนกล่าวว่านนะแล้วก็ทุกอย่างมันก็เป็นองค์ประกอบที่ดีแต่มาว่าบัาลาดก็มีคนมาช่วยงานเพิ่มขึ้นนะและบัาลาดมันก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของชาวชุมชนไม่ใช่ของอาเธมาไม่ใช่ของศิกรมาดมันเป็นของประชาชนที่ช่วยเหลือประชาชนท่านั้นเองของคนที่มีอริยะชนช่วยเหลือประชาชน ไม่ได้เป็นของใครเป็นของคนทุกคนที่ช่วยเหลือกันทําให้มันเป็นบุญนิยมที่สมบูรณ์ที่พ่อครูมีเป้าหมายว่าอยากเห็นบุญนิยมที่สมบูรณ์อัตมาว่าราธนียศเนี่ยน่าเราน่าจะช่วยกันสร้างว่าเป็นบุญนิยมที่สมบูรณ์มาร่วมมือร่วมไม้กันทุกๆฝ่ายแล้วเราจะเกิดบรรยากาศที่ดีที่สุดขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยทำไปได้เพียงอัตมาวัฒนไปไม่ไดหรอกแต่มันต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่มันต้องร่วมมือกันทุกคน ทั้งนักบวชทั้งคารวาดญาติโยมทุกๆคนช่วยกันแล้วก็เด็กสังเรียนสมา ส, สิกาอัตมาว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะเจริญขึ้นได้แล้วก็เป็นบุนิยมที่สมบูรณ์ที่แท้จริงได้ก็เจริญธรรมทุกคนครับก็จบอ้าวจบก็จบไปโดูเบสครับต่อจากนี้ก็สักครู่นะคะเดี๋ยวกราบพอครูเสร็จอะไรท่านที่ มีภารกิจเรื่องการขนของก็ช่วยกันแจ้งข่าวข่าวนะครับเราจะได้กระจายนักเรียนถูกว่าอะไรควรทำต่ออาสาธุ